อาเดี๋ยวเดียวไหว้พระกันนะพระหังสัมมาสัมพุทธพะวาวูทางพะาวันทางอะภิวาทิสวาคาโตะพะาวตาดัมโมธรรมนามสัตว์สุปฏิปันโนะพะวโตสาวกสังโฆ สังฆนามันข ah, ันธมายังพุทธาภาควโตปุพพาคันิมกังรังโรมะเสอนโมตัสสะภาควโตอะระหโตสัมมาสัมพุทธัสส นโมตัสสะภะคะวะโตภะราหัตโตสัมมาสัมพุทธเจ้านโมตัสสะภะคะวะโตภะราหัโตสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ขอบทนากับพวกเราทั้งหลายนะตั้งใจในการศึกษาบัรรมเลย ในวันนี้ขึ้นในกายกตาสติภาวนาคือในหนังสือเล่มนี้ที่ไปให้ยมเขาอัดโูนเดียวหรือไทยเอกสารมาเนี่ก็มีทั้งสองบัตนะมีทั้งปฏิกูลมณติการบัตก็คือกายสติประธานภาวนาแล้วก็ทาตุกมณติการบัตก็คือเจตุธาตุเพราะว่าฐานภาวนาอันเดียวกันนะใช่มีทั้งสองสองเรื่องนะ ก็อ่านมากมากตรงไหนที่ได้ฟังไปแล้วนะใครที่ได้ฟังขยายความไปแล้วก็ได้ไประโยชน์และถ้าหากว่าที่มาทีหลังไม่ได้ฟังมาแต่ต้นก็อ่านไปแต่ต้นจะได้เข้าใจนะตรงนี้ไม่มีตรงไหนต่อเติมนะในวิสุทธิมัติแลว้วก็อัจกริยะดีกาขยายไว้บ้างเล็กน้อย ทั้งที่แล้วที่พูดในเรื่องของกายกายกตาสติภาวนาเนี่ยพูดในเรื่องของกายกาติภาวนาหรือปฏิกูลมานสิกานบอกว่าการพิจารณาการ12อาการ 3.2 จัดเป็นกายคตาสติกรรมฐานในกายานุปัสนาตุปุฏฐานเนี่ยที่รัฐีภายนอกพุทธศาสนาไม่เคยปฏิบัติมีไม่เคยปฏิบัตินะ มีปฏิบัติเฉพาะในพระพุทธศาสนาเท่านั้นทีนี้ก่อนที่จะเจริญทวัตติงสาการหรือกายยกตาสติกรรมฐานก็เรียกให้บรรลุอรหัตผลเป็นต้นนะท่านก็บอกว่าเบื้องต้นนั้นนะให้ปฏิบัติพื้นฐานเ็ดข้อข้อที่หนึ่งก็คือชาระศีลให้บริสุทธิ์ก็คือจาตุปริสุทธิ์ที่ศีลเป็นต้นดังที่ได้กล่าวว่า ก็ต้องศึกษาที่จริงก็ที่จะศึกษาการรมฐานหมวดนี้นะเขาจะศึกษาอะไรมาก่อนศึกษาเกี่ยวกับเรื่องของศีที่บอกว่าเจตนาก็ชื่อว่าสีเจตสิกสสก็ชื่ อ, อว่าสีสัวงวรก็ชื่อว่าสีเอวิจิกรามะการไม่ก้าวร่วมก็ชื่อว่าสีเพื่อให้เบื้องต้นก็ศึกษาในเรื่องศีทีนี้เจตนาก็ชื่อว่าสีนั้นท่านหมายถึงตัวเจตนาเจตสิกเป็นเจตนากรรมนั่นเองคือเจตนาแหงการงดเว้นจากฟารปฏิบาต คือความตั้งใจการจัดแจงที่จะงดเว้นจากการฆ่างดเว้นจากการลักงดเว้นจากการประพฤติผิดในการเป็นต้นเน่ยนะอันนั้นเขาเรียกเจตนาก็ชื่อว่าศีลส่วนสังวรก็ชื่อว่าศีลนั้นนั้นพูดในเรื่องเออไม่ยะเจตสิกก็ชื่อว่าศีลนั้นก็ได้แก่วิรตีเจตสิกสามสัมมาวาจาสัมมากรรมตะแล้วก็สัมมาอาชีวะอันนั้นชื่อว่าศีลอันนั้นเป็นตัวงดเว้นเขาเรียกอย่างเช่นว่า ปานาติปาตาเวรมณีไอเวรมณีคำนั้นนี่ยเป็นชื่อของอะไรชื่อของวิรติเป็นความมดเว้นเป็นสภาวะที่มดเว้นเป็นเครื่องมดเว้นเป็นความมดเว้นสภาวะแล้วก็เครื่องมดเว้นถ้าพูดกันตามภาษาเราวก็คือบุคคลผู้มดเว้นบุคคลผู้มดเว้นจากการฆ่าจากการลักจากการประพฤติผิดในการไอตัวเนี้ยหรืองงดเว้นจากการพูดเท็จเนี่ยนะ สัมมาวาจาเนี่ยมดเว้นจากการพูดเท็จสัมมาธรมมัติก็มดเว้นจากอะไรงดเว้นจากการฆ่าเป็นตนน้นใช่ไหมสัมสมาอาชีวะเนี่ยมดเว้นจากอะไรงดเว้นจากวาจีทุจริตสี่แล้วก็การเย็ดทุจริตสามที่เกี่ยวกับอาชีพที่เกี่ยวกับอาชีพแล้วก็อนนาพิชาอะโลภาเนี่ยก็ชื่อวศีลอพยาบาทอะโทศ คือเมตตาก็ชื่อว่าศีลแล้วก็สัมมาทิฏฐิคือปัญญาก็ชื่อว่าศีลน้าถามแต่ว่าปัญญาทําไมเรียกว่าศีลแล้วศีลกับปัญญาต่างกันตรงไหนน้าตอบได้ไหมเอ้ยตรงนี้ทําไ ม, ไมท่านถึงบอกว่าปัญญาชื่อว่าศีลเพราะอะไรเนี่ยสัมมาทิฏฐิทําไมชื่อว่าศีลน้าเอ้ยสัมมาทิฏฐิไม่ใช่ปัญญาเลยใช่ไม่ใช่แล้วอภิยญาบัตนะิเนี่ยได้แก่เมตตาเอ้ยเมตตาเป็นกรรมฐานหรือเปล่า แล้วในที่นี้ทําไมถึงบอกว่าชื่อวศีน่ะเรียนแล้วงงแปลกนะเพาะตัวปัญญาไปชื่อวศีได้ไงปัญญาก็ปัญญาเี่ใช่ไหมปัญญาเป็นศีนประเภทไหนเจตนาสีนเจตสิกสีนเป็นเจตสิกสีนเจตนามเจตนาเจตสิกไม่ใช่ปัญญานอะเป็นเจตสิกสีนแล้วเป็นศีลได้ยังไงแล้วเราจะแยกระหว่างศีนกับปัญญาต่างกันยังไงอ่แยกยังไง ถ้าตัวปัญญาที่เป็นศีเนี่ ย, ยคือปัญญาที่ไปไปรู้เรื่องกรรมเนี่ยเข้าใจไหมคือรู้ว่าฆ่าเนี่ยเป็นกรรมที่ไม่ควรเราก็ลดเว้นจากการฆ่าเพราะถจะใช่ไหมฆ่าเนี่ยเป็นกรรมที่ไม่ควรเป็นกรรมที่ไม่เหมาะก็ลดเว้นจากการฆ่าเพราะเห็นโทษของการฆ่าไอ้ตัวปัญญาใช่ไหมที่จะไปเห็นโทษของการฆ่าตัดที่จะไปเห็นโทษของการรักถ ah, ้าเป็นโทษขอ ง, ของการรู้ิดในกรรม ที่จะไปเห็นโทษของการพูดเท็จเป็นต้นใช้ปัญญาไม่ได้ไปเห็นโทษเนี่ยใช่ไม่ใช่นั่นแหละเป็นศีลนะเนอาแล้วแล้วแล้วปัญญาจะเป็นยังไงถ้าเป็นตัววิปัสสนาปัญญาก็ไปเห็นยังไงเขาก็เห็นรูปนามตางวางเป็นจริงไปเยอะไหมก็ว่ า, วาไปเยอะไหเห็นมาว่าจริงๆแล้วตัวตัวศีลตัวสมาธิตัวปัญญาเนี่ยจริงๆก็เกิดร่วมกันนะในจิตดวงเดียวกันไหม แต่ว่าตัวไหนก็จะมาทำกิ่งเด่นหรือไม่เด่นนั่นก็ว่าไปนะในโลกิยะเนี่ยถ้าในโลกุตระก็เรียบร้อยเลยมีที่พานเป็นลมนื้นกันหมดไอตรงนั้นในรายละเอียดเดี๋ยวค่อยมีโอกาสก็ค่อยไปไปดูรายละเอียดเนี่พงากเราไม่ได้ไปเรียนเรื่องสีเหแต่ก่อนจะก่อนที่จะเจริญกายยคตาสติเนี่ยลำดับแรกคือชำระสีให้บริสุทธิ์ถ้าเป็นพระละีสีอย่างนี่แหละ ปาติโมกสังวรศีลอินรียสังวรศีลอาชีวปฏิสุทธิศีลปัจจะยาสันนิสิตาศีลและไม่ชีศีลอะไรชีนี่รักษาศีลสิบได้ไหมแล้วทำไมไม่รักษาแล้วตกลงศีลแปดด้วยศีลเก้าเก้าเพิ่มข้อไหนมาข้ออจริงๆคําว่าศีลเก้าในที่นั้นก็เพิ่มเมตตาเมตตาสหัคเจนะเจตสาาเอกังทิสังปริตวาสมาทิย่านี ขย้ำว่าท่านมีสิลแปดแต่สินห้าใช่ไมสินห้าสินแปดสินเก้าแล้วก็สินสิบแล้วถ้าหากสินแปดอีกอย่างหนึ่งก็คืออาชีวรธรรมกสีเนี่ยสีที่มีอาชีวะเป็นที่แปดนันก็อีกอย่างใช่ไหมได้เรียนกรรมวิจารณ์ ก, กาไหมเรียนมาแล้วลืมหมดแล้วเนี่ยเนี่ยนั่นก็เพิ่มเมตตาไปข้อนึงนะจะได้ไม่โกรธแน่น จะได้มองหน้าคนอื่นก็จะได้มองด้วยสายตาเป็นที่รักไม่ไม่ถึงตามองคนอื่นไม่คอ้อนไม่อะไรเจริญเมตตาเป็นเป็นอัธยาศัยนะฉะนั้นชำระศีลในบริสุทธิ์ก็คือศีลห้าศีลแปดศีลเก้าศีลสิบ น, น, น, น, นะแล้วก็ถ้าเน้นศีลสิบกับคารวะศีลสิบต่างกันตรงไหนต่างตรงไหน สมมติแมาชีถือศีลสิบใช่ไหมเนนก็จะถือศีลสิบเหมือนกันนะอ่ะศีลสิบของชีกรือของคารว่าจะศีลสิบของเนนจะต่างกันตรงไหนหรือเท่ากันที่จริงคืออย่างนี้นะเนเนเนี่ยเป็นขี้หิเพศหรือเป็นอุดมเพศและคารวากันคารว่าก็เป็นอุดมเพศนะเขาเราียกคือคือเนนก็ต่างกันตรงนี้นะ เนนเนี่ยก็มีเสกขียวัดอีกเจ็ดสิบห้าแล้วก็ยังมีพวกวัดต่างๆอีกเยอะเลยในขันตะกะวัดก็ดีในในทั้งขันตกาวัดทั้งสิบสิทั้งสิบแปดนะทั้งหมดเนี่ยนั่นเนนเนี่ก็อยู่ในจัดเป็นอุโดโมโอเพศนะแต่ถ้าคารวัดก็เป็นไม่ใช่อุโดโมโอเพตฉะนั้นก็สิบสิบก็คือสิบเลยแต่ของเรามีวัดไหมมีวัดในการปฏิบัติต่อครูอาจารย์มีบมางเงิน อย่างคารวะามีไหมมีพวกวัดในการปฏิบัติต่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ก็มีเหมือนกันนแต่ว่าน้อยกว่าที่มาเน้นครับแคเน้นก็เป็นอุดมมากขึ้นแต่แต่เมื่อนะ ว, ว, วันก่อนมีคนก็โทรไปพระสาวาที่วัดมีการบวชภิกษุณีไหมอะในเรื่องยาวเลย บ, บวชได้ยังไงก็เพียงใหญ่เลยทำไมจะบวชไม่ได้ก็มีที่นครปฐมก็บวชไปแล้วก็อยอมก็ไปบวชกับเขาไปแล้วกัน เรื่องยาวใช่ไหมตะคุยตรงนี้ยาวเลยดฉะนั้นเบื้องต้นถ้าจะปฏิบัติกายะคตาสติกรรมฐานก็ชําระสีในบริสุทธิ์ประการที่สองก็คือตัดปริพุธปริโภพน์กี่อย่างปริโพุธสิบอย่างนะอววาสสะปริโพน์กังวลในอะไรกังวลที่อยู่กุลละปริพน์กังวลในอะไรในตระกูลนะตระกูลอุปถาสะพร้านะราภะปริโพน์ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องอะไรลาภสการะลาภในที่นี้ได้แก่ได้แก่อะไร บอกที่อยู่อาศัยเครื่องลุงผมเป็ต้นคณะปริโภคตรนี่กังวลเรื่องอะไรชณะศิษย์หรือบริวาร น, นะกรรมมปริพโคตรกังวลเกี่ยวเรื่องอะไรการกาังนะปริพโคตรแปลว่ากังวลเพื่องกังวลอัฐนารปริพโคตรก็คือกังวลเกี่ยวเรื่องการเดินทางนี่ปฏิบัติไม่ได้พวเนี้ยหัวคิดจะเรื่องยายาติบริโภคตรนี่กังวลเกี่ยวเรื่องยาหรือการอุปถัมภ์ ญาติป่วยบ้างพ่อป่วยแม่ป่วยพวยานป่วยพวยยานอ่าภาษณปริพศ์มีกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยตัวเองเจ็บป่วยแล้วคู้เกี่ยวข้องขันถาปริพศ์กังวลเกี่ยวกับ ก, ก, ก, ก, การกกกศึกษาเราเรียนคนเรียนไม่ดีเนี่ยอย่างนี้นะยกตัวอย่างเช่นพวกเราเนี่ยเรียนกรรมฐานไม่ดีเรีย น, นยแทนที่จะเรียนแบบพิสดารก็ไปเรียนโดยย่อไปเรียนโดยย่อไปเสร็จเข้าป่าไปประพฤติปฏิบัติพอไปในขณะที่ประพฤติปฏิบัติไปแล้วกังวลไหมใเนี้เอ๊ะมันมืดเน่ะ นะเข้านะเข้าก็สงสัยถ้าเป็นพระเนี่ยไปอยู่ป่าเนี่ยสงสัยวินัยก็ไม่ได้อยู่ใกล้ครูบาอาจารย์ใช่ไหมก็ฟุ้งเลยเนี่ยวิจิตริชาก็เกิดสงสัยวินัยอ่ะเอ๊ะเราทํำยังถูกหรือไม่ถูกนะเนี่ยวินัยกรรมต่างๆก็ผุดขึ้นแล้วทั้งวิจิกริชาสงสัยทั้งอุทธจารฟุ้งซ่านยุ่งเลยมันเหมือนยังไงนะท่านอกมาว่าไอ้วิจิกิจฉานันเหมือนการเดินทางในทางคุณกันดารเราทรัพย์สมบัติไปเยอะคนมีเงินเยอะๆเดินทางไปกันดารนี่นะะ ถามว่าลมพัดใบไม้ไหวนี่ระแวงไหมเพราะจอนมันเยอะเรารู้ว่าที่ตรงนี้โจอนเยอะเนี่ยใช่ไหมเสียงฟ้าร้องฟ้าผ่าหรือเสียงเกล อ, อะไรตกลงมาเนี่ยก็วัดเฮ้ยเขาจะมาโป้นเราเปล่างั้นคนที่คนที่ศึกษาไปไม่ดีเนี่ยโดยเฉพาะในเรื่องของวินัยไม่ดีนี่นะพระนี่นะไปอยู่คนเดียวลําบากนี่เราจะผิดวินัยข้อไหนถ้าวินัยเราเสียหายแล้วการปฏิปบททัติของเราจะไปได้ยังไงเนี่ยก็กังวลนี่ถามว่า ศีล ส, สมาธิปัญญาเป็นอริยรัพเพไหมเป็นไหมสติปัฏฐานเป็นอริยรัพเพไหมสติปัฏฐานสมบัติฐานอิทิบาทอินทรียพลาโคชงองค์มักแปดนี่เป็นอริยสัพย์ฉะนั้นถ้าคนมีวิจิกิจชายเยอะๆเนี่ยรักษาซากเหล่านี้ไม่อยู่ใช่ไหมมาเราแวงเนี่ยโดนป้นหายเคลี้ยงเช่นเวลากโกรธเนี่ยศีลมีอยู่ไหมในขณะที่โกรธเนี่ยศีลมีไหมตอนนั้นนี่ยศีลไม่มีสมาธิปัญญาไม่ต้องพูดถึงอริยรัพย์หายหรือยงัง นั่นโดนป่นไปแล้วเห็นไหมเป็นอย่างนีน้นั้นคนที่มีวิจิกริชายเยอะๆก็โดนป้นไปเรื่อยๆอย่นี้นนก็เหมือนกับคนมีทรัพย์ทั้งโลกเนี่ยนะเดินไปที่เช่นพวกโจรผู้ร้ายพวกอะไรต่างก็โดนโดนข โ, โดนก็พ้นขั้งถ้าปริพเทนั้นก็ต้องบอกเรียนให้ให้เข้าใจเสียเวลาไปปฏิบัติแล้วจะได้ไม่กังวลเรียนให้เกิดความเข้าใจเดี๋ยวไปกังวลอยู่นั่นแหละอิทธิปริโภทนี้กังวลเกี่ยวเรื่องกานคือ เกี่ยวกับลิ์ของปุถุชนที่ต้องรักษาไว้ไม่เสือ่อมนี่หมายถึงปุถุชนนะปุถุชนที่ได้ลิ์เนี่ยกังวลมากถ้าไปได้ลิ์ขึ้นมาสมัยในสังสารวัฏที่ผ่านมาเนี่ยการได้ลิ์เนี่ยเป็นเรื่องปกติโม่เช้าเนี่ยบรรยายเกี่ยวเรื่องของเนี่ยอิทธาวิชชาปัญญาบ้างเจโตปริยญาณเป็นต้นบ้างก็พูดเรื่องการแสดงลิ์ต่างๆก็เลยบอกนี่ไหมว่ามนโนไว้ยี่ที่นะมนโนมวยิ่ที่เนี่ย เกี่ยวกับเรื่องการแสดงฤทธิ์ตัวเขาแสดงยังไงต่างอย่างที่เรารู้กันเรื่องมนุษย์ยุทธิโดยตัวไปเลยอที่บายอธิบายอย่างครบถ้วนหมดแล้วนี้ฮะ <c oughs> น้อเกี่ยวในเรื่องของการที่ว่าการแสดงฤทธิ์โดยการถอดล่างนะเหมือนถอดฝักถอดดับออกจากฝักถอดยาป้องถอดใสยาป้องออกจากอย่างนั้นไม่เข้าใจอันนี้มาแต่ต้องพูดในสมัยขั้นพุทธการถ้าสมัยปัจจุบันนี้ถ้าเอามาเทียบแล้วมันจะวุ่นกัน อนุตตรใหม่ของพุทธการดีกว่าอย่างยกตัวอย่างนะอย่างพระพุทธเจ้าสแสดงธรรมแสดงธรรมบนชั้นดาวประเดิมใช่ไหมพระองค์ก็เนรมิตรใช่ไหมเนรามิตรอีกองคหนึ่งสแสดงและอีกองหนึ่งก็มาบินนบาัตเอาองค์จริงก็บินนบาัตที่สาธนุตตเอาองค์สำรองสแสดงธรรมไปเรื่อยๆใช่องค์จริงๆก็ออกบินนบาัตที่เขาเป็นมนุษย์ใช่ไหมเสร็จองค์สำรองก็ให้สแสดงธรรมไปเรื่อยๆ ใช่อย่างนี้พระพุทธเจ้าทําได้บุคคลอื่นยากที่จะทําแบบนี้นะหรือถ้าเกี่ยวกันในเรื่องของอิทธาวอิทธิวิท้าวิาวญญาณเนะี่ยหนึ่งคนเดียวเป็นหลายคนจากหลายคนเป็นคนเดียวนี่เป็นต้เนี่ยหรือเกี่ยวในเรื่องของไอ้กรณีที่ทะลุ ก, กําแพงทะลุข้างฝาอะไรเงี้ยท่านทำก็จะได้เป็นเรื่องปกติเนาะแต่ต้องหมายถึงว่าท่านดีชนานาญคือในเรื่องสมัยก่อนเนี่ยแบบนี้ไม่ใช่เรื่องพิเศษจะเล่าให้ฟังนะมมีอยู่บางศกท่านหนึ่งก็แบกบทานตัวดํา เตรียมเลยนี้ยแบบตัวดำเป็นเลียงน่ะรู้จะเหนียงไหมเอ่ยเนียงนี่ดํำจริงๆไหมดําตัวก็ดําแล้วไปเผาฐานด้วยในขณะนั้นก็มีพระภิกษุสามเณรก็เดินอย่างในป่าเนีเดินไปนี่ท่านจะเดินออกหน้าใช่ไหมโยมก็นี้เดินเดินออกหน้าท่าก็เห็นเห็นแกกัลลีบัลลีก็เดินเดินไปก็ซุกซิบกันทุกท่าก็พูดไปก็ในธรรมนองหัวเราะทาาใหม่ด้วยนะบอกโอ้โหเนี่ย พยอมบอกว่าแม่ผู้ชายเลยยอมเป็นทาผู้หญิงขนาดนี้ใช่ไหมคือยอมเป็นทานผู้หญิงทําทุกอย่างล่ะทั้งไปเผาถ่านแบกแบบปืนเผาถานทํางานขุดดินแล้วก็ขนแบกมาตัวดำเสื้อผ้าก็ไม่มีมีกางเกงขาสั้นตัวเดียวแบกบหนวดเขาก็รุงรังเพราะงั้นนั้นทาไมยอมลําบากเพราะผู้หญิงคนเดียวขนาดนั้น็ระมินชาก็ท่านก็ทิ้ง ก้อนฐานลงแบกฐานมากๆแล้วก็รีบไปลหลบไปปนมเลยหมดท่านเนี่ยท่านพวกท่านทั้งหลายประมาณพูดดูถูกผมใช่ไหมมือผมที่กลา้าเตรียมและกลา้าอย่างเงี้ยเคยลูบดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาแล้วคือสมัยที่ท่านบวชเนี่ยผมไม่เหมือนพวกท่านแล้วผมนี่สมรวมระวงังทำฌานทําจตุธาฌานให้ได้แล้วทําห้พินยาเกิดขึ้นแล้วสองมือของผมเนี่ยเคยไปจับดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาแล้วพระก็เลยเงียบกันทําความสลดให้เกิดขึ้นเห็นไหมเนี่ย ขนาดได้โกคคำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์มาด้วยฝ่ามอือแล้วแต่ต้องชาญเสือ่อมในที่สุดจริงๆก็ต้องไปไปอยู่กับครอบครัวต้องไปเป็นที่ข้าทามาห้ิตพากยางความสังเวชสลดใจตรงนั้นได้เกิดขึ้นก็ไม่ระม้ายใช่หมเล่งความเพียรนี่ทั้งสมัยก่อนเป็นเรื่องปกติไอ้เรื่องการเผาะเพินเดยนอากาศ เดินบนน้ำบ้างใช่ไหทะลุ ก, กำพุงกำแพงข้างขวาบ้างไปนาะที่ไหนไปจนบ้างเป็เรื่องปกตินะเขาเรียกโลกิยาอะิยาตกนรกได้นะได้ถึงเสื่อมได้ตกนรกได้นั้นในอดีตในสังสารวัตที่ผ่านมาเชื่ไหมพวกเราเนี่ยเคยได้กันมาหมดแลวแต่มันวายไปหมดแล้วน่าตื่นเต้นไม่ยกมเมืสมัยก่อนเรามีทีนิ้ขนาดนั้น แล้วเวลาพูดเรื่องชาลเรื่องฤทธเรื่องอะไรต่างๆมันนึกแวบบ๊บๆในใจบ้างไหมถ้ามันไม่นึกเลยในแสดงว่ามันยาวนานมากมันอา จ, จะตัดตอนมาหลายแสนชาติ ไ, ได้ใช่ไหมใช่ก็อย่างที่พระเจ้าไปาบินธบัตรเนี่ยไปเห็นลูกสุกรหมูตัวเล็กอ่ะปเห็นพระพุทธเจ้าแย้มพระโอษฐ่าโนนก็ถามว่าแย้มพระโอษฐ์อะไรพระเจ้าดึงอดีตให้ฟังหกเจ็ชาติไปรู้เนี่ยเคยเป็นพงมาด้วย แต่ตอนนี้มันเป็นโรกหมูตัวเลน้อยวิงย่งหมดตุ้องหนาหน้าเห็นไหมหน้าจสดใน่สังเวชไหมล่ะเรื่องสังสารวาัตรนีฉะนั้นเรื่การขึ้นลงเนี่ยเป็นเรื่องน่ากลัวมากเป็นเรื่องน่ากลัวมากมันไม่ใช่เป็นเรื่องที่ว่าที่พระองค์แสดงตรงนี้ต้องแสดงต้องการจะให้แสดงโทษของตัณหาใช่ไหมที่แสดงว่ายะธาที่ว่ยถาไอที่ว่าว่าอนุปัฏเวยธานีเป็นต้นบอกว่าตัณหานี่นะ ถ้ารากมันไม่ขาดนะตัดข้างบนตัดข้างบนมันก็ขึ้นตัดข้างบนมันก็ขึ้นเนี่ยไอ้ต้นไม้เนี่ยตัดไปเถอะใช่ไหมเราตัดต้นไม้เราไปถากหญ้าเนี่ยถ้าถากรากมันไม่ขาดนะเดี๋ยวมันขึ้นขึ้นใช่ไหมขึ้นตลอดแล้วขึ้นเร็วด้วยไอ้ตันหาเป็นอย่างนี้เลยถ้าเราไม่ถอนรากถอนโคนมันนะสังสารวัตรนี่ยาวนานนี่ไม่ต้องกลัวเราขึ้นลงขึ้นลงโดยมากลงมากเราขึ้นนั่นแหละลองอภัยภูมิมากกว่นนี้จะขึ้นอาการเกิดเป็นมนุษย์เป็นเดวดาทีนี้ นี่พูดให้เราตื่เต้นเอาเรื่องจริงมาพูดนะที่เคยเล่ามาก่อนเนี่ยเราแค่เมืองเดียวที่เค ย, ยกตัวยอย่างว่าสาวกถีมีประชากรเจ็แสน 700, ได้เป็นพระรยะห้าเออไม่ใช่สาวกถีมีประชากรเจ็ดโกรดโกรดหนึ่งโกรดสิบล้านยังมะเจ็ดโกรดห้าโกรดได้เป็นพระรยะสองโกรดไม่ได้เป็นสงสยยัยจะเป็นพวกเราเนี่แหละสองโกรดนะทีมันเห็นไหมห้าโกรดเนี่ยได้เป็นพระรยะแล้วไม่นับเมืองอื่นนะ ไม่นับราชคกื้อไม่นับไหสารีเวสารีไม่นับฟันอื่นอีกมากมายแล้วเดินเนะี่ยแล้วพระเจ้าโปรดทั่วโชคลาภิฉะนั้นพาลีอาบุคคลที่ยังเป็นพระโสดาบันสกาทานาคาที่ยังไม่ปริญพาเนะต็มไปหมดในชาติเขตของพระเจ้าเนี่ยเป็นแสนเป็นเป็นเป็นป น, น่าจะเป็นประมาณหมื่นจกักรวาลเลยนะเอาแค่ชั้นจาตรงหาอะราชิการเนี่ยพาลีอาบุคเต็มไปหมด ตาวติงสายามาตุสิกนิมานาลีประรนิมิสวาสิตตลอดทุกพมเชื่อไมว่ที่เรากําลังสแสดงฟังธรรมนั่งฟังธรรมสนานาทําแสดงธรรมกันอยู่เนี่ยท่านเฝ้ามองพวกเราอยู่ด้วยตาด้วยความชื่นใจนะท่านรู้พฤติกรรมของเราก็เราเนี่ยกำลังคิดอะไรคิดบุญคิดบาปเนี่ยท่านมียานบุญนี้ไม่ไม่เป็นเรื่องโุเต็เยอะแยะไปหมดเพราะถ้าผ่านมาสองพันกว่าปีเนี่ยเอานี้ว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งในชั้นจาตุมเนี่ย ห้าสิบปีโลกมนุษย์เอาแค่ว่าชั้นติดกับเราอยู่กับเราเลยเนี่ยนะไม่ต้องชั้นสูงถ้าว่าชั้นสูงสูงเลยยังไม่ถึงวันหนึ่งเลยพระพุทธเจ้าบริญญานีน่นั่นเป็นผภาะเยอะไม่หมดถ้าคิดอย่างนี้เราจะได้มีความหวังใช่ไหมใชะอย่าไปคิดดูถูกตัวเองนะเช่นไปดูถูกตัวเองบอกว่าเฮ้ยเราไม่มีวาสนาแล้วเดี๋ยวจะเอาหลักฐาน ม, มาชี้เหมือนคนคิดแบบเนี้ฆ่าตัวเองใช่ไหม เราคิดว่าโอ้เราไม่ไหวแล้วเราศึกษาไม่ไหวแล้วเนี่ยถ้าศึกษาอย่างี้นะเวลถ้าคิดแบบนี้นะโอ้ยทำลายน่ากลัวมากแสดงให้เห็นชัดว่าพระริยในเต็มไปหมดเราเชื่ออย่างนั้นไหมย้อนย้อนนอบเชื่อพรงประอริยเต็มนี่หลักฐานอย่างนั้นนะเอาเนี่ยพระ้าสแสดงสูตรแรกแบบทำมาจากสิบแปดโกดสิบแปดโกดยังยังไม่ไปรีบผ่านนะสิบปดโกดเนี่ยไม่มากได้งไงใช่ไหมยะ สูตรแรกเนะี่ยทำมาจากกระเพาะวันโนคสูตร18โกดและเพา่วัณโรคเนี่ย แ, แต่ละขานะแปดหมื่นสี่พันแปดหมืนสี่พันแปดหมืนสี่พันอ้น่าชื่นใจจริงแล้วเรารอดได้ยังไงเปนเรื่องน่าประหลาดมากนนจริงๆมันไม่ดูเถอะพุดเจ้าจแสดงสองหมื่นกว่าสูตรนะ ท, ที่นับได้นะีเตอร์บิโดก์ไม่นับวิธีมำิโดก์นะ เ, เฉพาะพ่าสูตรอย่างเดียวเนี่ยสองหมื่นกว่าสูตรต้องคิดดูดิ แต่สูตรเลยแค่สูตรสูตรเดียวเนี่ยแปดสิบแปดโกด์ไม่นับสูตรอื่นเยอะแยะหมดก็ตอนที่พระเจ้าปรินนะิพนธ์เนี่ยที่แค่ไปทันนี่นะเจ็ดแสนลูกเจบละเป็นพระเรยอะหมดเลยเจ็ดเจ็ดแสนลูกพอปรินิพนธ์ได้ไม่นานใช่ไหมกลุ่มพระพุรานะมาไม่รู้กี่หมื่นมาถามเรื่องการทำสมทธนาในยุคประวัติ ฉนันพรานี้หลายหลายสิบล้านเพาราะอริยหลายสิบล้านองค์เฉพาะพระเนี่ยมีนะพระว่าพระว่าเต็มไปหมดเป็นพระอริยทั้งนั้นยุคนี้ทําไมศึกษาพระธรกันยังไงแปลกมากใชไหมศึกษาไปศึกษามาทํงไง า, ไาไามาไม่ไทําอริยคุณไม้เกิดขึ้นในกระแสจิตได้บ้างเลยเรื่องแปลกนะน่าคิดไหมแสดงว่าเราจะต้องมานาซิการผิดท่านเนี่ยนอนตั้งหลักกันใหม่เพื่อที่เพื่อที่จะได้สักมาร์กแ่นี้ย่ะ ใครได้ก็ช่วยบอกหน่อยพระเลยไปเรียนกรรมฐานเอาสามความทําจิตให้ยินดียิ่งในเนคขมมะประการที่สามนี่นะก่อนที่จะเรศึกษาเนี่ยทาจิตให้ยินดียิ่งในเนคขมมะเนคขมมะในที่นั้นองค์ทําได้แก่อะไรอ่ะเนคขมมะองค์ทําได้แก่เนี่ยเนคขมมะจริงๆต้อง อ, อโลภาเนี่ยเป็นประธานเนะ คือความไม่โลภนลั่นแหละแต่เน่ขำมะจริงๆเนี่ยท่านแปลว่าการออกจากกล้ามออกจากรูปเสียงกลิ่นลดสัมผัสถ้าออกจากรูปเสียงกลิ่นลดสัมผัสจริงๆนะถ้าออกแบบตบทางพระาหานะั่นมีชื่อของวิปัสสนาใช่ไหมถ้าออกแบบวิขำมะพระป่าหานะเริ่มตั้งแต่ไหนเริ่มตั้งแต่ปฐมฌานนะ่ะนั้นคนที่ได้ปฐมฌานเขาละอะไรได้ละกลามมาคุณห้า ละกามะฉันทาพยาบาทฉีนมิทธาอุทธาจักกุกุจารและ ว, วิจิกิจชาเอ๊ะที่ตันอุปมาเขาไว้เนี่ยกามะฉันทาที่อุปมาเหมือนอะไรเหมือนการเป็นหนี้ใช่ไหมพยาบาทก็เหมือนคนเป็นโรคถีนาวิธาก็เหมือนกับการติดคุกติดตารางอุทธาจักกุกุจารเหมือนอะไรเหมือนการเป็นทาวิจิกิจชาก็เหมือนกับคนที่มีทรัพย์สมบัติแล้วเดินทางในกุรากุรทางกุรากันดารนะกุรากันด น, นั่นหละประการ ทำจิตให้ยินยินดียิ่งในเน่ค่ะมะประการที่สี่เข้าไปหาอาจารย์ผู้บอกกรรมฐานเพื่อเรียนกรรมฐานก็คือดังที่ได้กล่าวบอกว่าอาจารย์ก็เป็นผู้ชํานาญในกรรมฐานต่างๆเนาะประการที่ห้าก็คือเว้นจากสำนักที่ไม่สมควรสิบแปดประการก็ครั้งที่แล้วบอกไปแล้วสำนักที่ใหญ่เกินไปสำนักที่สร้างใหม่สำนักที่สุดโทรมใกล้ทางหลวงใกล้สระน้ําเป็นต้น ไปจนถึงสำนักที่อาจารย์เป็หาอาจารย์ที่เป็นกิริยาณมิตรไม่ได้เข้าไปหาอาจารย์ท <üyor> ี่ <assistant ambitious> สามารถจะบอกกรรมฐานเราได้ข้อห้าก็คือเว้นจากสำนักที่ไม่สัปายะสิบแปดอย่างก็ไปหาอาจารยเดี๋ยวในนี้จะมีนะและประการต่อมาก็คือว่าเข้าหาในสำนักอยู่ในสำนักที่เหมาะสมก็สำนักที่ไม่ไกลไม่ใกล้จากการ บินธบัติเจ้าคามนัพระนะกลางวันไม่พลุกพล่านหรือผู้คนกลางคืนเงียบไม่มีเสียงรบกวนไม่มีเรือบยุงลมแดดมูเป็นต้นรบกวนแล้วก็ไม่ฝุดเครืองด้วยปัจจัยสี่จนเกินไปและเป็นสำนักที่มีภิกษุที่เป็นพระพระเถระเป็นพรหูสูตรนะสําเร็จการศึกษาหมายความว่าศึกษาทั้งปริยัติทั้งปริบัติทงรงธรรมทรงวินัยแล้วก็สามารถอธิบายหัวขอ้อธรรมแก้ข้อสงสัยได้ แล้วก็พิจารณาประการที่หกก็คือพิจารณาดูโทษของกรรมและอ น, นิสงการถือบวชเจ็ดก็คือเจริญกรรมฐานเรื่องเยเกสาผมทั้งหลายโลมาโลมาแปลว่า ข, ขนขนมีกี่เส้นเก้าหมืนเก้าพันนะนักขาเล็บมีกี่เล็บมีกี่เล็บยี่สิบ <20 S 2> เล็บทันตาฟันมีกีนน่ซี่แต่โจหนังนับไหมนับยังไงหนังนี่ติด ก, กันหมดนะอ่านั่นเป็น ตัดตจ่าปัญจกะมีหนังเป็นที่สุดต่อไปก็วักกปัญจกะว pues ักกะปัญจกะก็คือมีไตเป็นที่สุดนี่นะมังสางเนื้อมีกี่ชิ้นเนื้อมีกี่ชิ้นดูอ้าเปิดใหญ่เลยเอ่มีมีกี่ชิ้นเนื้อมีเก้าร้อยชิ้นนะหนาหารู้นี่เส้นเอ็นมีกี่เส้นเก้าร้อยเส้นนะนะอัฐีกระดูกมีกี่ท่อน สามร้อยทอด น, นี้นับฟันสามสิบสองซี่ด้วยรอเปล่านับหรือไม่นับนะเว้นออกด้วยนะเพราะว่าจริงๆฟันก็คือกระดูกเหมือนกันแต่กระดูกสามร้อยท่อนอัฐีมิ้นชังก็คือเยื่อในกระดูกอันนี้ไม่นับเนาะไม่นับเป็นท่อนวัคกังไตมีกี่ข้างเว้นแต่คนที่โดนจัดไตทิ้ง <c oughs> พ อ, <c oughs> พ, อพอไปพิจารณาเรื่องวัคากาังไตมีข้ามไปดีกว่าที่จะพูดถึงเข้ามาแล้วก็ ปับภาสะปัญจกะกรรมฐานปัญจกะก็คือว่ามีปับภาสะเป็นที่ห้ามีปอดนั่นเองหัทยังเนื้อหัวใจแยกกนนางตับตับมีกี่ชิ้นหัวใจก่อนหัวใจมีเนื้อหัวใจมีไม่นับเป็นชิ้นนะแยกกนนางตับมีกี่ชิ้นสองชิ้นนะกิโลมกังพังผืดแล้วก็ปีหักงังมา้า ตรงนี้อถ้านราซือสดมนไปแลปลว่อเราตายิงม้ามตนปรับภาสามปอดถ้าใครเป็นพยาบาลมานับปอดให้เลปอดมีกี่ชิน้นสามสิบสองชิ้นดูในหนังสือไม่ดูตำราหมออะไรมัดทะลุงค้าปรรจากาศกรรมฐานที่มีอะไรเป็นที่ห้าเยื่อและมันสมองเป็นที่ห้าอันตังไส่ใหญ่มีกี่คตไส่ใหญ่มีกี่คตยี่สิบเอ็ดคตไส่ใหญ่มียี่ดคต เมีดเอสอบเนี่ยสามสิบสองสองไม่ไม่ไม่ไมไมสเสียดเอียนมึงเลยยกไส้ที่มันอยู่ในต้องต้องสามสิบกว่าสองเนี่ยฉันบอกเหมือนกังหันกงูเหลือเลยนะเหมือนกังหเลยตั้งแต่หลุมคอลงไปค่ะสุถึงตะวันหน่ะอันตัดผู้นางนี่ลำไส้เล็กพันอยู่ตามขดลำไส้ใหญ่ไงลำไส้เล็กนีพันอยู่ตามขดลำไส้ใหญ่ อ, หญอุตริยมีอาหารใหม่ที่ยังไม่ย่อยที่เราทานเข้าไปใหม่ๆนเนี่ยนะ กะรีสังเนี่ออาหารเก่าที่ย่อยแล้วมัตรมังคงเยื่อแล้วก็มันสมองอันนี้กลุ่มธาตุดินนะต่อไปก็อโปธาสิบสองเป็นเมฆฉัดกะกรรมฐานปิดตังน้ ำ, ด, นำ ด, นดีน้ำดีมีกี่ชนิดน้ำดีมีกี่ชนิดน้าดีนี่มีอยู่สองชนิดก็คืออยู่ในถุงและนอกถุงอัตมาเนี่ยเขาตัดถุงน้ำดีออกหมอก็ไปเจาะ ทีแรกนะนึกว่ามีไอ้เนี้ยไปจอะไปเขาไม่มีตัดทิ้งเฉยเล ย, เลยไม่มีแล้วมีแต่น้ําดีนอกถุงลแล้อนนี้ในถุงไม่มีเสมหางอิสเรลเสมหานี่มีประมาณหนึ่งกรอบมือเนาะบางทีก็เท่าประมาณแล้วเอาบาดพักก็ได้เลยปุกโพน้ําเหลืองน้ําหนองโรอยตังก็คือน้ําเลือดเลือดที่ขังนิ่งกับเลือดที่เไหลเวียนในร่างกายเสียโทก็เหมือเมโทก็มันข้นมันข้นคือไขมันมนั่นเดียวกันนะ มุตตะชักกะกรรมฐานมีน้ำมูกและน้ำปัสสาวะเป็นที่หกอสูรนีน้ำตาน้ำตายังเอามาเจริญได้นะวาสา ม, มันเหลวเขียโลน้ำลายสินคา้านิการน้ำมูกพาัติกาไข่ข้อมุดตังน้ ำ, ม, นำมูกหรือน้ำปัสสาวะก็อันนี้สามดสองนี่ก็สาธยายให้ได้ครบเอเวลาสาธยาไอ้ที่ผ่านๆไปเนี่ยจำๆกันได้บางอย่งได้ยังนะเอาอ่านบ่อยๆก็ ต่อไปอุกขหาโพสาละใช่ไหมครั้งที่แล้วพูดไปแล้วผู้ที่จะเจริญกรรมฐานก็ไปหาอาจารย์ที่เขาบอกกรรมฐานก็เป็นผู้ฉลาดในการเรียนกรรมฐานเ็ดวิธีนะการเรียนมีอยู่เจ็ดวิธีความฉลาดในการเรียนด้วยวาจาคือไหว้ท่องปากตรงนี้ยแย่ต้องเนี่ยผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเ ย, ย็นกระดูกในท้องปากเลยนะลำดับแรกก็คือท่องท่องเขาเรียกว่าวัจยสาอุกขหาโพศรละโพศรละ ก็คือว่าความฉลาดในการเรียนด้วยว่าจะไหวคล่องปากสังเกี่ยวกับกรรมฐานไม่ใช่ว่าไปให้ไม่ไม่ไม่ไมด ไ, ไ, ไ, ไม่ท่องอะไรนะให้ท่องเลยแนละ้วเนี่ยท่องท่องยากไหมสามดับสองยากไม่ยากไม่ยากเลยสามดับสองใช่ไหมัล้วก็ถ้าลองเปลี่ยนให้เป็นนับท่องสามดับสองเส้นแล้วให้จําด้วยว่าท่องแต่ละเส้นนะั้นมีกี่ข้อ ถ, ถ้าจําได้ก็ยกให้เล ย, เยสงสัยนั่งท่องกัน อย่างเร็วเลยเนะสองก็คือมานาสาอุกาหะโภสาหลังก็คือฉลาดในการเรียนด้วยใจอันนี้ว่าหลังจากท่องแล้วเนี่ยนะตอนนี้จําให้ขึ้นใจแล้เนีประการที่สาก็คือวันนัโต อ, อุกาหะโภศาหลังความฉลาดในการเรียนด้วยสีคือแยกสีถูกแบบเช่นผมสีอะไรขนสีอะไรเล็บสีอะไรฟันสีอะไรเป็นต้นอะไรเนี้ยแยกสีได้อย่างละเอียดเลยนี่ฉลาดในการแยกสีประการต่อมาคือสันฐานโตอุกาหะโภสาหลังก็ฉลาดในการเรียน รอบรู้สันฐานรู้รูปทรงเน่ะสันฐานในที่นั้นคือรู้รูปทรงว่าผมมีรูปทรงยังไงเนี่ยเป็นต้นประการต่อมาก็คือว่าทิศโตอุกากโคสันลังก็คือว่าฉลาดในการเรียนเรียนเรื่องทิศคือในร่างกายเนี่ยแบ่งเป็นทิศเบื้องบนกับเบื้องต่ำเอาผมนี่อยู่ทิศไหนทิศเบื้องบนนะ แล้วก็โอกาสโตอกาโกศาลังความฉลาดในการเรียนโดยโอกาสที่ตั้งอยู่รู้ที่ตั้งว่าตั้งอยู่ตรงไหนประการที่เจ็ดก็คือว่าปริเฉชาโตอุคาโกศาลังฉลาดในการเรียนโดยกําหนดเขตขอบเขตรู้ขอบเขตนั้นก็ว่าไปทีนี้ว่า จ, จะส า, อาโฆโฆมอกาโกศาลัก็เริ่มยังไงาจากปัยากาศเกสาโรมานะคะทันตาตะโจท่องอย่างเงี้ยห้าวันท่องไป เบตาลงมาผมขนเล็บปันหนังผมขนเล็บันหนังท่องไปสักห้าวันเนาะท่องนี้ไดแล้วก็อีกห้าวันก็สะโจทันตานะขาลงมาท่องนี่ห้าวันไม่บรรลุรู้ไปเนาะแล้วก็ทั้งอนนูลมปฏิโลมอีกเท่าไหรอีกห้าวันเป็นเท่าไหร่เนี่ยภาษาทาไปเรื่อยๆอยเงี้ยเ ก, กว่าจะครบสามจุดสองมีปลาเข้าไปประมาณสี่เดือนนะน้ำแล้วสี่เดือนนี่สมควรบรรลุอย่างเนี่ยน้าหน้าทำเนี่ยอาชีวิตเกิดมาเกินสี่เดือนเนี่ย แม้ถ้าเราลองไปไข้ควรโดยสี่เดือนลองลองทุ่มทุนดูดิลองทุนดูนะครั้งที่แล้วพูดในเรื่องอะไรเนี่ยคุณลองลองลองทบทวนผมดูนะจำแนกเนี่ยอาการสาสิบสองคือผมเหมือนโดยสีโดยสันธานโดยพิษ โ, โ, โดยอกาสโดยปริเชษผมหลายแสนเส้นเนี่ยนะปกติมีสีอะไรเหมือนอะไรสีของผมเนี่ยเป็นสีดำเหมือนอะไรเหมือนว่าทําดีควายสดเนี่ยะสันธานของผมยาวกลมเหมือนอะไรเหมือนคันตะช่าง โดยทิศอ่ะผมอยู่ทิศเบื้องต่ําหรือเบื้องบนเบื้องบนเนะี้เกิดอยู่บนศรีรษะโดยโากาศอ่ะด้านข้างทั้งสองกำหนดจอนหูด้านหน้ากําหนดที่หน้าผากด้านหลังกําหนดที่ต้นคอหนังส่วนที่ห้มกะโหลกศรีรษะเป็นที่ตั้งของผมกําหนดงั้นนะโดยปริเชตด้านล่างกําหนดด้วรากผมในหนังศรีรษะที่ปักลงไปในหนังศรีรษะนั่นนะกาหนดยังไง ปลายเมล็ดข้าวเปลือกนะด้านบนก็กําหนดที่สุดปลายผมนั่นแหละก็ให้พิจารณายังไงพิจารณาผมพิจารณาไงให้พิจารณายังไงผมอ่ยเอาผมมาวางไว้บนฝ่ามือก็ได้นะพิจารณาโดยความเป็นปฏิกูลได้ไหมเอายังไงพิจารณาผมโดยความเป็นปฏิกูลอย่างไงเอาเราเปิดไปดูผมในดับแรกเลย พิจนาผมในหน้าที่ในหน้าที่สิบเจ็ดน่ดูดินะดูหน้าที่สิบเจ็ดน่ที่ท่านบอกว่าคนทั้งหลายเห็นสิ่งอะไรอะไรที่มีสีคล้ายผมในภาชนะข้าวต้มหรือข้าวสวยกว็าตามแม้เป็นของพึงใจก็เกิดความลังเกียดขึ้นมาว่า ของนี้ปนผมนําออกไปเสียผมทั้งหลายเป็นของปฏิกูลโดยสีด้วยการดังนี้ท่านให้พิจรารณาโดยความไม่งามนะโดยสีผมนั่นมีสีเป็นปฏิกูลไม่งามสันฐานก็ไม่น่าชอบใจแม้โดยกลิ่นผมมีกลิ่นเหม็นหรือไม่เหม็นม <c oughs> เขาบอกว่ากลิ่นของผมเนี่ยให้ว่าเหม็นหรือไม่เหม็นให้เขาไปทํายังไงถึงจะชัด ใชมาหมเอาไปเผาไฟดูแล้วจะมีกลิ่นออกมาแสดงใหเห็นจ้าตัวผมมีกิ่นเป็นอย่างนั้นจริงๆเดิมเมื่อเช้าเมื่อเช้าก็ยังพูดเรื่องว่านในสูตรท่านบอกว่ากายนี้คือเป็นมหาพูดใช่ไหมดินน้ำไฟลมใช่ไหมกระด้างกายทั้งหมดสิ้นกายคือผมกายคือขนกายคือเล็บ ก, กายคือฟันกายคือหนังเป็นต้นเนี่ยก็คือดินน้ำไฟลมนั่นเอง ที่นดินน้ำไฟลมที่เป็นผมขนเล็บปันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกเป็นต้นเนี่ยที่เป็นการาชกายขึ้นมาได้เนี่ยดินน้ำไฟลมหรือการาชกายนี้ถ้าบอกว่าที่เกิดจากบิดาและมารดาแล้วก็เจริญเติบโตเพราะข้าวสุกและขนมสดเห็นไหมที่เจริญเติบโตมาได้เพราะเรามีการบำรุงมีการหยอดอาหารขึ้นมาก็้วเจริญเติบโต แต่ก็คือบำรุงอะไรบำรุงดินน้ำไฟล้มในเด็กมันจะเลยเติบโตต้องบำรุงต้องดูแลต้องขัดต้องนวดต้องฟันกัน อ, อยู่ตลอดเวลาเมื่อตอนเด็กๆเห็นไหมที่เราคอยดูแลเด็กเนะี่ยต้องอาบน้ําอาบน้ำเส็จเสร็จก็ต้องหาแป้งหาอะไรต่างมาทาเพื่อดับกลิ่นกายนะอันนั้นบอกบอกว่ากายเนะี่ยมันมันเน้นแม้ทุกวันนี้ก็เหมือนกัน มีส่วนไหนของการราชะการบ้างเราที่เราไม่พยายามต้องขับต้องเช็ดต้องถูอยู่ตลอดเวลาถ้าอย่างนั้นมันจะสแสดงอาการปฏิกูลออกมาทันทีเลยวแล้วเป็นอย่างนี้นจริงๆนะทุกส่วนของร่างกายเนี่ยชีวิตของเราส่วนหนึ่งเนี่ยนะวั น, ว, นวันหนึ่งเนี่ยเราให้กับการที่จะต้องมาประคับประปฐมในในการที่ต้องดูแลอมีการนวดการฟันการอาบ ก, การเช็ดการถูการดูแล มีการกินการดื่การเที่ยวการรีบเป็นต้นเหล่านี้ยเราให้กับร่างกายตลอดแล้วก็ต้องเอาอะไรคอยมาปอกอยู่ตลอดเวลาทั้งนั้นมันจะแสดงกลิ่นปฏิกูลออกมาอยู่เรือ่อยชีวิตเป็นอย่างนั้นธรรมชาติธรรมชาติถ้าไม่ทําอย่างนั้นเราจะนั่งใกล้กันไม่ได้เลยมอสจะต้องใส่แมสปิดมันคือมันเป็นกลิ่นปฏิกูลมันจะออกทันทีนี่ขนาดเราวันวันหนึ่งเราเช็ดเราขัดเราถูกันหลายรอบ ยังขนาดนี้นะในส่วนของผมมันก็ต้องทุกวันเลยมีมอู้สักวันหนึ่งที่เราจะไม่เช็ดไม่ดูแลทีม่มีเลยนะยังไงยะอันนี้เนี่แหละเขาเรียกว่าเป็นเป็นความไม่งามแล้วก็มีเป็นความเป็นของปฏิกูลของเขาแบบ น, นี้ทีนี้อันหนึ่งคนทั้งหลายกินอาหารในเวลากลางคืนเนี่ยถ้าได้สัมผัสกับใ ย, ยปอเอ่อใยเปลือก ปอเป็นต้นเหล่าเนี้นะที่มีสันฐานค้ายกันกับผมแล้วนะก็จะลังเกียดทันทีทั้งทั้งนะนะที่ไม่รู้ว่ามันเป็นเป็นปอเป็นได้เนี่ยนะกลิ่นของผมที่เว้นจากการตกแต่งเว้นจากาจาการสระเว้นจากการนวดเว้นจากการทาน้ํามันและดอกไม้เป็นต้นเป็นของที่น่าปฏิกูลยิ่งนะกลิ่นของผมที่ถูกไฟไหม้ยิ่งปฏิกูลกว่านั้นฉะนั้นผมทั้งหลายโดยสีโดยสันฐานจะไม่พึงปฏิกูล ส, สามารถเป็นไปได้ แต่ถ้าว่าโดยกลิ่นแล้วจะเป็นปฏิกูลโดยส่วนเดียวอุปมาเหมือนก้อนอุจจาระของเด็กเล็กสีเหมือนกับขมิน้นใช่ไ่มว่าโดยสันฐานเหมือนกันแง่งของขมิน้นอุจจาระของเด็กเนี่ยดูแล้วงามนี่ยไม่งามแต่เราไม่รู้ว่านี่เป็นอุจจาระของเด็กนี่นะในสัญญาเราต้องไปจำํำดิสีก็งามสันฐานก็งามก็เหมือนแง่งของขมิ้นเนี่ย หรือว่าเหมือนกบับซากคือนักดำที่ตายขึ้นอื่นที่ก็ทิ้ทงไว้ที่กองขยะโดยสีก็เหมือนกับผลตาลสุกโดยสันธานก็เหมือนกับตะโพนที่เขาปล่อยให้กลิ่งอยู่เชี่ยวของมันก็มีสันธานเหมือนกับดอกมะลิตุมด้วยเหตุนเนี่ยทั้งอุจรารเด็กและซากคือนัดำดาโดยสีโดยสันธานอาจจะไม่เป็นปฏิกูลก็ได้แต่เมื่อว่าโดยกลิ่นแล้วปฏิกูลโดยแน่เลยนี่ท่านก็พิจรารณาอย่างนี้นะ เพราะถ้าไป็นพิจะะารณาผมในความเป็น้องบฏิคูณเนี่ยถ้าเราไปเห็นผมดีๆสะบ่อยๆเงี้ยเราอาจจะมองเห็นโดยความเป็น้องบฏิคูณไม่ออกใช่ไหมแล้วอาจจะมอง เ, าเง อ, ง อ, อ, อาจจองามเนี่ยแล้วมันมีโฆษณากันในวิทยุโทรทัศน์เต็มไปหมดจะไปเดี๋ยวนี้ในซื้อพิมพ์ในแผมป์โปสเตอ ต, าต่างๆอย่างเนี้ยประกาศแล้วเ อ, อวาความงามดูเหมือนโอ้โหสวยจริงๆมาหล อ, อกตากันอยู่างเงี้ย ทีนี้เราต้องพิจารณาเจาะให้เห็นตามความเป็นจริงว่าลึกๆจริงๆผมนั้นน่ะโดยสีโดยสัญญานอาจจะดูงามได้อาจจะดูงามได้ยังทั้งที่มันไม่งามนแหละอาจจะเทียนได้แต่ถ้าต้องการให้เห็นความเป็นจริงของผมว่าไม่งามนั้นท่านบอกด้วยกลิ่นนั้นปฏิกูลโดยแท้ด้วยกลิ่นนั้นปฏิกูลโดยแท้ที่ท่านก็บอกว่าต่อไปท่านก็มาผักนั่แหละหลายแห่งหลายที่นะผักเลยที่เราไปปลูกใกล้เนี้ยไก่น้าําคํา หรือว่าใกล้บอล่ออุจจาระเนี่ยผักนั้นเขก็จะมีรากช้อนใช้ก็ไปในเนื้อดินนั้นแล้วก็ดูดกินเอาของปริกูลต่างๆมาหล่อเลี้ยงลําต้นกิ่งใบยอดยักผักนั้นงามไหมผักนั้นก็งามผมของมนุษย์ก็เหมือนกันผมของสัตว์ทั้งหลายเป็นต้นก็เหมือนกันนะที่มันปักอยู่ในหนังศีรษะมันดูดกินอะไรน้ําเลือดน้ำหนองดูดขึ้นไปไปหล่อเลี้ยงผมใช่ไหม ทำใหผมนึ้นออกมายาวบางคนนี่ผมดกดําเลยนั่นผมดกดํำนั้นะโดยสีโดยสันฐานอาจจะดูดีได้แต่โดยกลิ่นปฏิกูลโดยแท้ต้องให้พิจารณาอย่างนั้นฉะนั้นผมขนเล็บฟันตาหมดแล้วนะหนังหนังไปอย่างเนื้อก็ไปแล้วกระดูกก็ไปแล้วนะครั้งที่แล้วถึงไหนถึงไหนเยื่อในกระดูกไปแล้วตายนะตายไปอ่ะเอาหัวใจอะไรเงะ้ยจริงเหรตับทั้งผืดม้า ไปถึงไหนแล้วเนี่ยไปถึงตรงไหนแยกหัวใจไปแล้วเดี๋ยวดูหัวใจก่อนดีกว่านะเอาหัวใจอ่ะหน้นาทียี่ห้าคำว่าหายใจยางหัวใจเนี่ยถห้เราอ่านตรงนี้หน่อยเรื่องหัวใจเนีอ่านพร้อมกันเลย ยังนี่คือเนื้อหัวใจนะหัวใจเนี่ยสีแดงดุดสีหลังกรีบดอกกระทุ่มอะ่ะคล้ายๆกันเงนี้ดอกบัวนะทีนี้โดยสันฐานเนี่ยดอกบัวประทุ่มอะ่ะเหมือนกับดอกประทรุ่มตมที่ปิดกริบแล้วก็รอบนอกออกแล้วตั้งความอยู่แล้วก็แต่ภายในเหมือนกับเยื่อ<ม>เยื่อบวกผมหัวใจเนี่ยเขาบอกว่าหัวใจคนมีปัญญาแย่งบานหน่อยหนึ่งนะของคนด้อยปัญญาก็ เหมือนกระดอกปฐุมตูมภายในเนื้อหัวใจเนี่ยเป็นหลุมเล็กๆขนาดบรรจุมเมล็ดดอกบุญน้าพวกนี้คือเนื้อหัวใจเป็นหลุมเล็กๆหัวใจเป็นที่อาศัยของอะไรของมโนธาตุและก็มโนญาติธาตุมโนธาตุก็คือมโนธาตุมีเท่าไหร่เนี่ยคือ น้ำปฏิชนะจิตสองปัญจสวารโอชนาจิตหนึ่งอันนี้ก็เรียกว่าโนธาต์ใช่ไหมทำไมจึงเรียกว่าโนธาต์เพราะเพราะอะไรจิตทั้งหมดมจิตนี่ก็แบ่งเป็นธาตุนะนะมีทั้งหมดกี่ธาตุตาเจ็ดธ า, าตุนะโอ้ยลืมแล้วหนึ่งจักรคุญานาธาใช่ไหมก็คือจักรคุญาณจิตสองนั่นเองจักรคุยานาธาเนี่ยัยอะไรเกิดเนี่ย อาศัยจากขุประสาทเกิดจากขุวิญญาณธาตุนี่นะอาศัยจากขุประสาทเกิดเป็นวิญญาณที่อาศัยตาเกิดสองโสตวิญญาณธาตุอาศัยอะไรเกิดอาศัยหูอาศัยหูเกิดนะสามคางวิญญาณธาตุอาศัยอะไรเกิดอาศัยจมูกคางว่าประสาทนี่นะสี่ชิวหาวิญญาณธาตุอาศัยชิวหาประสาทเกิดสายลิน ห้ากายวิญญาณธาตุอาศัยอะไรอาศัยกายพิสาศหกตรงไหนเจ็บตรงนั้นน่ะเนาะ่แหลแสดงว่ากายวิญญาณยังมีอ ย, อยู่แล้วก็หกมโนธาตุาตดวงไหนว่งมโนธาตุเนี่ยสัมประสิตชนะจิตสองนะกับปัญจทวารวชนะ จ, จ, จิตหนึ่งจิตสามดวงนี้ทำไมจึงเรียกมโนธาตุเพราะ พอเงียบเลยพ่อเงียบเพราะเพราะรับปัญจทวารเลยอะไรปัญจทวารเนี่ยมโนธาตุเขาจะเกิดในจักรคูวิญญาณใช่ไหมจักรคูทวารคือเกิดทางทวารตาทวารหูทวารจมูกทวารลิ้นทวารกายเว้นอะไรเว้นมโนทวาร เขาเกิดได้ห้าตะวันใช่ไหมเขามาเกิดเขามาทํางานทางตาหูจมูกเล่นกายแต่ไปอาศัยอะไรอาศัยอัยาวัตถูกไงเนี่ยอาศัยอัฐยังเนี่ยอยู่ตรงไหนหัวใจอยู่ตรงไหนเมื่อกี้อ่านแล้วเนี่ยหัวใจเขาบอกว่าภายในเนื้อหัวใจเป็นหลุมเล็กๆขนาด ุมเมล็ดบุญ น, นาได้หัวใจเป็นที่อาศัยของของอะไรเป็นที่อาศัยของอะไรมโนธาตและมโนญาณธาตุสรุปแล้วก็คือว่าสัมปติชนะจิตสองปัญจทวารวัชนะจิตหนึ่งเขามาทำงานทำตาหูจมูกลิ้นกายแต่เขาไปอาศัยนี่หั่ใจอาศัยอสัญญาวัตรถูกใช่ไหม นัจ่จิตเนี่ฮะคืออาศัยหวัวใจเกิดแต่มาทํางานทางตาหูอยู่หมวกร่างกายเป็นเรื่องปกติเราทักเราเร า, เราใส่ที่ไหนนอนหลับอยู่ตอนเนี้ยพักที่พักของเราก็ที่บ้านใช่ไหมที่ทํางานที่ที่หรือเปล่าทําไมไม่ยุ่งอ่ะก็ปกติไหมเนี่ยนี่เขาก็าอาศัยอะไรเกิดอาศัยหวัวใจเกิดแต่มาทํางานทางไหนก็เ น, นี่ย เนี่ยเรียกมโนธาตุมโนวิญญาธาตุอะไรบ้างจิตพวกไหนเนี่ยก็เว้นสิบสามดวงออกนอกนั้นเป็นมโนวิญญาธาตุหมดโลภะโลภะแปดโทสะสองโมหะสองอันนี้เป็นธาตุอะไรในจํานวนเจ็ดธาตุเป็นมุจจัป ขูยานาธาโสตยาญาธา า, า, า ว, ว, วิญญาณธาติวหาวิญญาณธาตกายวิญญาณธาตมโนธาตหรือมโนยานาธาติโลภนี่เป็นมโนยานาธาตโทสะก็เป็นมโนยานาธาตโมห oh ก็เป ah ah ah ็นมโนยานมหาปุษทนก็เป็นก็นนนไล่ไปเงี่ยนะอีกเยอะสรุปยัดูว่าโอ้ตัวมโนยานาธาตินี่เห็นไหมเป็นตัว เป็นตัวทํากรลมนะส่วนนี้ส่วนที่กาลังพูดถนะึงทีนี้ท่านก็นบอกว่าโลหิตของคนเนี่ยนะโลหิตของคนมีราคาเรลี่สีอะไรหมายถึงน้ำเลี้ยงหัวใจนะไม่ที่ที่หัวใจอะ่ะเขาบอกว่าเป็นหลุมเล็กๆไงขนาดเป็นหลุมเล็กๆขนาด จุกเมตดดอกบนหน้าบได้หัวใจเป็นที่อาศัยของมโนธาตุมโนญาตธาตุและมีโลหิตขังอยู่ภายในประมาณกึ่งฝายมือก็มีนิดเดียวนะฉะนั้นเขาจะดูตรงไหนถ้าคนที่เขามีเจโตปริยญาณคนที่มีเจโตปริยญาณ น, นี่เขาสามารถรู้ว่าละจิตใช่ไหมว่าจิตตอนนี้คิดเออมีจิตแบบประเภทไหน มีจริตยังไงไงเขาจะดูที่น้ําเลี้ยหัวใจทีนี้พวกเรามันไม่มียานประเภทนี้กันไงคนที่จะมีป ร, รารถนาวิชาหนะ้าวิญญาเนี่ยนะที่สามารถรู้ว่าราจิตของบุคคลอื่นได้เป็นต้นเหรเนี่ยเขาจะฝึกในการที่ได้จะตัวชั้นที่สี่ชั้นที่สี่คืออย่างเงี้ยอัปนาอัปนาที่หนึ่งนะอปนาอปนาชนอัปนาสมาธิครั้งแรกนี่เขาเรียกปฐมฌาน อปปนาสมาธิครั้งที่สองเรียกว่าทุติยฌานใช่งไหมอปปนาสมาธิครั้งที่สามเรียกว่ า, ต, าตัตยฌานอปปนาสมาธิที่เกิดขึ้นครั้งที่สี่เรียกเจตุทะฌานนั้นเจตุทะฌานนี่แหละจะเป็นฐานแห่งการทำอภิญญาแต่คนเนี่ยถ้าได้เจตุทะฌานนะที่จะทําอภิญญาฝึกอภิญญานี่นะเขต้องได้อรูปฌานอีกสี่สรุปแล้วคือสมาบัตแปดเขาต้องได้ แต่เวลาจะมาเป็นฐานในการฝึกในการทำอวิญญามีประละจิตตาวิชาน้าปัญญาเนี่ยในการกําหนดรู้ว่าละจิตของบุคคลอื่นนี่นะเขาจะต้องมาฝึกตรงนี้ใช้จดจัานะเป็นบาดฐานในการเข้าอวิญญาหรือทำอวิญญาพอเขาเข้าอวิญญาเนี่ยเข้าอวิญญาแต่เนี่ยไปอย่างรู้ว่าละจิตเขารู้ได้ยังไงเขาก็ไปดูไอ้น้านําที่มีอยู่ประมาณกึ่งปลายมือเนี่ยะที่หล่อเลี้ยงอยู่ในในหัวใจอะ่ะ ถ้าหั ว, หวใจของขอใครเนี่ยออกมาเป็นสีแดงแดงพิขังอยู่ตรงนั้นนะเนี่ยคยนนี้รักธาตุเจริตรักสวยรักงามถ้าหาก ว, ว่าน้ำเลี้ยหัวใจเป็นสีดำมีเจริตอะไรเนี่ยโทสะเจริตแล้วถ้าหากเป็นสีเหมือ น, นล้าล้างเนื้อโมอหะเจลิตใช่ไหมถ้าสีอ่ะเหมือนอะไรต้มตัวคู่ ถ้าสีเหมือนกับสีดอกกั น, นิกาสีเหลืองเหลืออะ่ะกั น, นิกาเพิ่งไห้ไอ้พวกสีเหมือนดอกกันนิกาแล้วถึงจีวรทะสีเหลืองเหลืองอะ่ะใครห่มจีวรสีเหลืองเหลืองนี่ไม่ใช่เหลืองนะที่เหลืองจริ ง, รงๆเนะนี่ยนั่นแหละดอกกันนิกาถ้าสีผุดพองขาวบริสุทธิ์มีแสงสว่างเหมือนแก้วมันีเจียรไนเฉียงเบียยอันนี้ปัญญาจริตหรือพุทธิจริต อาลางดาวนี้ว่าเราควเจริตอะไรเดียวที่เรานั่งนั่งแต่ลนะคนตรงนี้ก็ต้องดูว่าใครที่มีจริตประเภทไหนมากเนาะราคาจริตโทศาสตร์จริตโมหะจริตวิตกจริตสทธาจริตพุทธิจริตหรือปัญญาจริต ไม่เฉพาะเฉพาะตรงหลุมที่หัวใจเท่านั้นไม่ใช่ทั้งหมดเฉพาะตรงหัวใจนั้นประมาณหนึ่งฝายมือตรงที่เลี้ยงหัวใจอยู่อยู่ไม่ใช่ว่าทั้งหมดตรงเนี้ย่ะหนึ่งมือขึ้นกึืนกลืนฝายมือเขาเรียกกึืนนั่นแหละถ้าสา์จริงๆต้องใช้คําว่ากึืนนะนั่นแหละก็ฝายมือนั่นแหละเดียวกันเละ ฝามือก็คืออย่างนี้นะนิดเดียวเนี่ยไม่มากเท่าไหร่หรอกนั่นแหละเ <c oughs> ที่ยวมือวักมาได้ได้จุดเดียวเนี่ยนั่นแหละจุดฝายมือนั่นแหละในหัวใจอะ่ะนั้นตรงนั้นนั่นแหละมันจะบอกบอกว่าตอนนั้นอะ่ะประเภทที่ราคาเฉลี่หรือโทศาสเจริ่ยหรือโมหาเฉลี่ยสีแดงหรือสีดําสีเหมือนน้ําล้างเนื้อหรือสีเหมือนต้มสีต้มถั่วพลูดอกกัญญาคาขาวบริสุทธ์ก็ก็ว่ากันไปเนี่บาบายนะ กาสีไหนที่เพิ่งาดนนาสีเหลืองกับสีขาวนะก็ตั้งอัตยาใสา่ก็ไว้ต่อไปไม่เอาแล้วสีแดงต่อไปไม่เอาแล้วสีดำวะงนี่ทีนี้ถ้าถามบอกว่าพวกมิตสการจริตควรสีอะไรถึงมิสการจริตเนี่ยเขาจะมีตัวหนึ่งนํานะเช่นจริตของคนเนี่ยรวมเยอะหมดเลยแต่ว่าอะไรลามากมันก็จะน้องไปดังสีนั่นนะอย่างของบางคนเนี่ยอาจจะขาวก็ขาวไม่มากยังไงจะ้ะ จะแปลกใจนะว่าทําไมผ้าอาหารสิ้นท่านราคา่าโทสะโมหะแล้วเลือดของท่านในในหัวใจก็เปลี่ยนนะเปลี่ยนสภาพแล้ถ้าเรามีใครมียาณปัญญาอย่างรู้ว่าลาจิตใช่ไหมจิตมีราคาก็รู้ว่าจิตมีราคาจิตปราบกจากราคาก็รู้ว่าจิตปราบกจากราคาจิตมีโทสะก็รู้ว่าจิตมีโทสะจิตปราบกระจากโทสะก็รู้ว่าจิตปราบจากโทสะจิตมีโมหะก็รู้ว่าจิตมีโมหะจิตปราบกจักโมหะก็รู้ว่าจิตปราบจากโมหะ จิตหดหูก็รู้จิตพุ่งสร้างก็รู้นะ่จิตเป็นมหาคตาก็รู้จิตไม่เป็นมหาคตาก็รู้จิตมีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้จิตไม่มีจิตอื่นยิ่งกว่าก็รู้จิตที่เป็นสมาธินะจิตที่ตั้งมั่นด้อุปจาระหรืออัปนาก็รู้จิตที่ไม่ตั้งมั่นด้วยอุปจาระและวอภปนาก็รู้หรือว่า จิตที่เป็นแต่ทางเวิมุตต์วิขัมมนาวิมุตต์ก็รู้จิตที่ไม่เป็นแต่ทางเาวิมุตต์หรือวิขัมมนาวิมุตต์ก็รู้เนี่ยอันนั้นแกว่าเขามีประวัติตตาวิชานั่นนะพิญญาเขารู <S <S ้ฉะนอย่างพระพุทธเจ้าเนี่ยถามว่าถ้าสมมุติพระพุทธเจา้าทรงประชดอยู่เนี่ยถามวาพวกเรากล้าเข้าเป้าพุทธจากล้าไหมากล้าต้องคิดอะไรรู้หมดนะเดี๋ยวเล่าให้ฟังอยู่เรื่องหนึ่งเนาะมีภิกษุสามสิบรูปก็ไปพระพุทธเจ้าบอกให้ไปปฏิบัติหน้าที่ตรงเนี้ย ในที่ตรงนั้นมียงบาสิกาเป็นพระนาคาแล้วมีพิญญามีชานในมีพิญญาเดียพิญยาประเภทหนึ่งที่นางมีก็คือว่าพระราจิตาวิชานะกินญารู้วา right. ราจิตของพระม <uche> ีพระไปพระบุรุษชนจะยงอุปถามเป็นพระอายะเป็นพระนาคาด้วยก็ทำอาหารเพราะพระปราถนาเนี่อยากฉันอาหารอะไรเนี่ยนะยองทํามาแล้วตอนเช้าแล้รู้ด้วยพระรูปนี้จะฉันอาหารประเภทนี้แล้วจะเป็นประจัยการรรลุนางบ่งลงภาษาเดียวรู้หมดเลยสามสิูปเป็นพระอาหารหมดเลย พระสารีรูปไปลาพระเจ้า ก, ก็เป็นเล่าโอ้โหลุมบาสิกานยอดมากคือได้ได้รับทั้งกรรมฐานได้รับทั้งอาหารที่อุปการะในการไปพปฏิบัติ์นางดูแลอย่างดีทั้งทั้งเช้าทั้งวันเย็นเช้าทั้งวันเย็นชาวอาหารประเภบไหนทั้งวั น, นาอาหารไปตอนเย็นน้ำปนานาอย่างไรรู้หมดแล้วแต่ละรูปไปจากปรารถนาและอธัธยาศัยไม่ต้องบอกนะเธอเลยอ่ะ เหมาะสมแก่อัธยาศัยยังไงนางรู้หมดเพรานางมียา น, นี้เนี่ยปริจัจจิตประลิสาวิชานาักปัญญานี่คือยาพิเนี่ยทักครูชนรูปหนึ่งพอฟังเข้าตื่นเส้นมากนี่ไปดีกว่าเรอพอไปไปแล้พักหนึ่งมั้ยพอไปไปมาๆกเกิดใจกำหนัดเกิดเห็นนางเขาก็ใจก็ไปน้อมชอบหนึ่งพอน้อมชอบก็มาปุ๊บแต่นี้ท่านก็ละอายใจยช่ให้มันเป็นทางละอายใจอยู่แล้วไม่ไหวหนีกลับดีกว่า พระนางต้องรู้เราใช่ไหมก็กลับพระพุทธเจ้าบอกให้ไปใหม่ให้กลับไปที่เดิมรู้พวไม่อยากไปแล้วแต่ก็ต้องไปยังให้พระเจ้าบอกนั้นก็ไปนี่นางก็ดูแลในส่วนจริงได้มัรู้อพอหลักจับความละอายใจเ่ยแหละประพฤติปฏิบัติขัดเราได้บรรลุเป็นพระอรหันต์พอได้บรรลุเป็นพระอรหันต์มีปุเพนี่วาสานวิยญาณท่านก็นกนละลึกชาตินี่ยแล้วเริ่มไปหนึ่งสองสามสี่ห้าเก้าสิบชาติเนี่ยตกยัยแล้ว ด้วยนิมพชิกาศเนี่ยไม่เคยมีชาติไหนที่ไม่เคยฆ่าเรามาเลยเนี่ยฆ่าเรามาทุกชาติเลยเก้าสิบชาติเนี่ ย, ว, ว, ย, ย, ยวัไม่ไหวแล้วเก็บของเตรียมเตรียมกลับแล้วไม่ไหวแล้วมาหลงรักกระเพืน่นี้ใช่ไหมนคมจะิ่านี่นางก็บอกเดียวท่านจะพึ่งไปแล้วลึกต่อไปน้อยก็เลย ล, ลึกลึกเลยเก้าสิบชาติไปอ๋อเคยอุปการละเราอย่างมากนี่ถ้า ล, ลึกชาติใช่พวกเราเย็นหนาว ใช่ไหมดีคนที่เรารักเราไว้ใจที่สุดนี่ยเผลอเคยฆ่าเรามาด้วยเท่าไหร่ใช่ไหมพระจะกล้าดูแลไหมสมมติเราฆ่าเรามาตั้งเป็นร้อยชาตินีน่ต้องเช็ดถูงเนี่ยบอหือคุณทำไมดูแลโจ้เนี่ยใช่ไหมนี่มันระลึกไม่ได้แล้วเลยเป็นแบบนี้เนี่ย เ, เหมือนท้านี่ได้ระลึกน่ากลัวไหมสังสารวัตรน่ากลัวใช่ไหมนี่มันระลึกไม่ได้มับกมันมืด พอปิดปุ๊บเนี่ยก็เลยเอ้าเห็นเฉพาะปัจจุบันนี่เลยนั่นอย่าแปลกใจนะว่าอารมณ์บางอารมณ์ที่เราเห็นป๊บหรือบุคคลบางบุคคลที่เห็นปุ๊บเนี่ย ม, ม, มันมีมันมีบาปประเภทหนึ่งนะเ้าบอกว่าเนี่ยพเอกรไม่ได้พูดในเรื่องของอุปนันนันการละบาปเก่าบาปในอดีตใช่ไหมถามว่าทําไมมีสัมมาประทานอีกข้อนีงบอกให้ละบาปในอดีตละทําไม บาปในอดีตน่นาละทาไมอ่ะเช่นในสมัยเด็กๆเนี่ยเราเคยทําบาปมาเยอะใช่ไหมจนโตขึ้นเป็นสาวจนมาปัจจุบันเนี่ยบาปเราเคยทํากันมาทั้งนั้นถามว่าบาปที่เคยทํามาแล้วทั้งนั้นอ่ะมันหมดไปยังหมดไปยังดับไปยังแล้วให้ละทาไมพระพุทธเจ้าสอนให้ละทําไมมีเหตุผลไหมให้ละ บ, บาปเก่าเนี่ยมีหรือไม่มี ถ้ามีแม็กมีเหตุผลไหมทาไมพระุทธเจ้าจึงให้ละบาปเก่าถามว่าบาปเกา่ า, า, เกาที่เราเคยเกิดแล้วกับเรานะบาปประเภทนั้นนะเราละได้หรือยังมันจะย้อนกลับมาเกิดใหม่ได้หรือไม่ได้่นนะท่านจึงสอนให้ละด้วยแล้วมีโอกาสจะมาเกิดและบาปเก่าในปัจจุบันจะพบนี้อย่างหนึ่งบาปเก่าในบาปเก่าในอดีตจะพบนั้นอย่างหนึ่งไม่เหมือนกันนะ าบาปเก่าในปัจจุบันพบคือเราเคยโกรธเคยแค้นเคยรักเคยโกรธเคยอิจฉาได้สยาใครมาก็แล้วแต่เหอะแล้วมันมีโอกาสที่จะย้อนกลับมาท่านบังห้ามนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจากไม่ให้บาปประเภทนี้เข้ามาสู่กระแสจิตของข้าพเจ้าจนกว่าจะพระริญพา น, นตั้งสมาทานเพราว่าจะไม่ให้ย้อนกลับขึามานี่คือปัจจุบันชาติและออย่างหนึ่งบาปเก่าในอดีตชาติรู้ได้ยังไงคนบางคนเนี่ยทั้งเห็นไหมเราเห็นหน้าพวกเรา ก็ขึ้นมาเฉยๆงั้นเลยนั้นถ้ามันไม่เกี่ยวข้องมาในอดีตแล้วมันอะไรคนเมื่อก่อนก็เห็นปุ๊บเนี่ยมันกหนัดยินดีขึ้นมาินดีเนี่ยใช่ไหมใช่เฮ้ยเกิดความขัดเคืองบ้างไม่ขัดเคืองบ้าง ท, งทั้งที่ไม่เคยเกี่ยวข้องกับเราเลยนั้นแสดงให้เห็นชัดว่าบาปในอดีต น, นั้นเน่ยมันให้ผลมันเป็นอุปนิสัยปัจจัยมันสามารถทําให้จิตของเราแปรปรวนได้ใช่ไหมใช่ ดังนั้นก็ต้องเพียมที่จักไม่ให้บาปเหล่านั้นเกิดเข้าสู่กระแสจิตด้วยนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปสมาทานไว้ว่านับตั้งแต่วินาทีนี้เป็นต้นไปบาปเก่าที่เคยเกิดเรามาที่เคยเกิดแล้วกับเราในปัจจุบันพบและในอดีตที่ผ่านมาแล้วเราจะไม่ให้เข้าสู่กระแสจิตทำได้ไหมสมาทานไว้งั้นบาปเก่าต้องละหรือไม่ต้องละต้องล ะ, งละแล้วก็อย่าให้บาปใหม่ ทำยังไงอ่ะบาปใหม่ที่อะไรบ้างถ้าปฏิบัติภพนี้บาปมาบาปใหม่ที่เรายังไม่เคยทํามีอะไรบ้างอมาดูข้าทําหรือยังย้ํนะก็อย่าให้เกิดนะปีตักข้าอาหารตัดา้าสว่างเอีกเยอะหมดเนะที่เรายังไม่เคยทําเนะีทุจริตใหญ่หญหญๆโซๆอะไก็ยังไม่ได้ทํานะอย่าให้มันเกิดเคยเคยไม่พอใจเข้าอี้ที่บ้านมองนหมนั่นแหละก็ไปย้ํายัดมันเกิดใช่ไหมเจ้า แปลนะทั้งๆที่เก้าอี้ไม่มีจิตวิญญาณได้แท่ก็ยังไปโกรธมันมนุษย์เราดีประหลาดเลยะนั้นตรง น, นี้เขาต้องบอกว่าบาปใหม่ก็ย้าให้เกิดบาปเก่าก็ย้าให้เกิด่ะเพี้ยนนะเพียรละกัเพียรปนะ้องกันนะเอ๊ะแต่ก่อนนึกไม่ออกเหมือนกันนะเอ๊ะบาปมันเกิดไปแล้วทำไมต้องมาละแสดงว่าในอดีตนั้นเราไม่เคยทําปริญญาในการที่จะละบาปเหล่านั้นเลยนะอะสรุปแล้วหัวใจก็คือว่าโลหิตของคนมีราคาเป็นสีแดง โลหิตของคนมีโทรสจริตเป็นสีดำโลหะของคนโลหิตของคนมีโมหะจริตก็เป็นสีเหมือนน้ำแลงเนื้อโลหิตของคนมีวิตกจริตก็เหมือนสีน้ำต้มถั่วพลูไม่รู้เป็นไงถั่วพลูต้ม อ, ออกมาแล้วเป็นไงสีเป็นยังไงออกเขียวๆ ใ, ใช่ั้มโหดูไม่งามเลยเนาะเพราะวิตกจริตนี่ก็คิดมากนะวิตกนี่ยเจ้วิตกจริตในปกติจิตในคิดอยู่ตลอดเวลาไหม วิตกจริตนี่เป็นแบบไหนอธิบายหน่อยดิเป็นยังไงวิตกจริตเป็นยังไงคิดซะเยอะทําอยู่นิดเคยไหมคิดอย่างมากเลยนะทุกเรื่องคิดหมดเอามาวิจัยหมดพอไปทําทําเลยนีดตอนเล่นนิดเดียวเคยเล่นไหมเช่นมีคนเขาบอกเราพุวงนี้เดี๋ยวจะให้ทํานั้นทํำนี่เราโอยตื่นเต้นทั้งคืนเลยเคยเล่นไหมพอไปทำก็จริงอมไม่ได้เรื่องกลุ่มวิตกจริตเนี่ยอย่าใช้อะไรมาก ใช่คิดเดวคิดอยู่เลยแล้วก็ศรัท ธ, ธาจริตกับอดูกรรมฐานอะไรที่ราคาเจริตเจริญกรมกรมฐานอะไรกรรมฐานอะไรที่ที่เหมาะแก่คนราคาจริญนี่ไงกายยักตาสติที่กําลังเรียนนี่ไงฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเป็นคนราคาเจริตเจริญกรรมฐานนี้เหมาะโทสารเจริญเจริญกรรมฐานเลยเนตตากรรมฐานเนะาะมโหสถเจริญเจริญกรรมฐานเลยโมโหสถเจริย จเจริญกรรมฐานอะไรดีฮะวิตกจริตเจริญกรรมฐานอะไร<ค><ย>เอให้กรรมฐานโดยเองไม่ถูกแล้ว <pues S 1> เอาชี้เรียนมาทีมาโทรเรียนมาแล้ว 2> <2> อย่าทำท่ า, ทาลืมสิเอาเอากรรมฐานอะไรเดียวโมหจริตวิตกจริตโมหจริตกับวิตกจริตเหตเจริญนาบนาดี อ้าวศรัท ธ, ธา จ, จริตเลยเจริญกรรมฐานเลยเจริญกรรมฐานเพราะกรรมฐานไม่ได้กันเลยแสดงว่ามันก็เจริญกันแล้วอกรรมฐานยมนอกไม่หลบหน้ากันเลยกรรมฐานอะไรที่พศรัทธาจริตเนี่นศรัท ธ, ธาจริตนี่ต้องจเจริญพวกพุทธจริตหร อ, อพวกจเจริญพุทธานุนสติ พอกอนุสตีนะพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเนี่ยเจ ร, ริญเนี่ยให้สังเกตดูไหมว่าถ้ากลุ่มราคะนี่นะกลุ่มโลภะนี่นะท่านให้เจริญเพื่อตัดแต่ถ้าพวกศรัทธาจริตเนี่ยท่านให้เจริญสิ่งที่เพิ่มใช่หไหมต่างกันมากเช่นพอเจริญพุทธานุสติแล้วเล็งถึงคุณของพุทธเจ้าใช่หไหมเป็นการเพิ่มศรัทธานะ แต่ถ้ากลุ่มราคาจะจริตโทสจะจริตโมหจริตวิตกจริตเนี่ยเจริญสิ่งนี้จะต้องเข้าไปตัดเช่นถ้าหากว่าราคาจะจริตเนี่จเจริญกายคตาจเจริญอสุภาพกรรมฐานพิจารณาเห็นในความเป็นของไม่งามเนี่ยจะละละไดะ้คือลดนะเจริญเพื่อลดโทสจะจริตก็เจริญพวกกลุ่มเมตตาเป็นต้นแล้วก็จะลดใช่ไหมถ้ากลุ่มโมหจริตหรือวิตกจริตให้จเจริญพวกอานาปนันะกลุ่มพวกนี้นะ เพื่อจะได้ลดนะเพราะเข้าไปตัดวิตกไปตัดโมหะได้ค่อนข้างดีอถ้าพวกแบบศรัทธาจริตเพิ่มนะคุณต้องเพิ่มเพิ่มศรัทธาคือศรัทธาจริตเนะี่ยอย่าลืมนะว่ามันตั้งผิดก็ได้เช่นไปตั้งในสิ่งที่ไม่ใช่คุณของพระพุทธเจ้าเป็นต้นก็ได้ใช่ไหมเช่นไปตั้งในสิ่งที่ไม่ใช่เช่นไปศรัทธาในพระเจ้าเนี่ย ไปศรัทธาในเทวดาเนี้ยเป็นต้นอะไรเนี่ยนะฉะนั้นท่องให้ให้เพิ่มไห้ถูกต้องก็คือให้เจริญพุทธานุสติธรรมานุสติเป็นต้นอะไรเนี่ยสังขานุสติศีลอาณาคาเป็นต้นหลนี้เออให้กลับให้ไปเจริญสิ่งหเหล่านี้ส่วนพุทธิจริตจนะให้เจริญอะไรพุทธิจริตเจริญอะไร อาสิพุทธิพุทธิจริตพุทธิจริตจะเลยนั่นล่ะโอ้เอาไปเอาที่ยากยากกรรมฐานที่ยากยากกรรมฐานเลยพวกจตุธาตุ ว, ตวัฐานเนี่ยเดี๋ยวต่อไเลยที่จะไปแยกและเอียดเลยนะมรณานสุนนะ ส, าสติเนี่ยนะอุปสมารสติเนี่ยไปเจริญเนี่ยกลุ่มพวกเนี้ย หรือไปแยกขัธนธ์ธาตุอายตนะสัตว์อินทรีย์ปฏิจจานเนี่ยพุทธิจริตเนี่ยเจริญกลุ่มพวกนี้ดีมาก เ, ออเดี๋ยวก่อนจอะเข้ารายละเอียดอย่างอื่นนะตรงนี้แทรกหน่อยแทรกตรงนี้หน่อยเราท่องคํานี้กันได้ไหมว่า ก, กรรมมสกาบอกว่าเรามีกรรมเป็นมีกรรมเป็นทายาทอนะไรเนี่ยใช่ไหม กรร ม, มสกากรร ม, มทายาธากรร ม, มโยนีกรร ม, มพันธุกรร ม, มปฏิสารนะอาอธิบายหน่อยสวยดกันมาเยอะใช่ไหมคำคเนี้คําว่ากรร ม, มสกาเนี่ยเขาแปลว่าอะไรอัตโนอทันนางสกังทรัพย์นี้เป็นของตนเพราะเหตุ น, นั้นจิตชื่อว่าสก a r ใช่ไหม กรรนั่นแหละเป็นทรัพย์ของตนศัพย์ผู้มีกรรมนั่นเองเป็นทรัพย์ของตนเขาเรียกกรรมสกาเขาเรียกเขามีกรรมเป็นของของตนจริงๆในที่นี้ก็แปลว่ากรรมนั่นแหละเป็นเป็นอะไรเป็นทรัพย์ของตนเดี๋ยวตรงนี้อธิบายให้ฟังอย่างนี้นะสําหรับคนที่เข้าใจศัพท์นี้ผิดนะ เงินทองรัตนชาติสิ่งของต่างๆที่ตนสั่งสมขึ้นที่เนื่องด้วยตนไม่เนื่องด้วยคนอื่นเนี่ยชื่อว่าเป็นทรัพย์ของตนไหมชื่อหรือไม่เชื่ อ, อ, อเงินทองรตัตนชาติสิ่งของต่างๆที่ตนเองสั่งสมขึ้นมาได้ตนเนี่ยไม่เนื่องด้วยบุคคลอื่นเน่ะอันนี้เป็นทรัพย์ของตนใช่ไหมใ ช, ใช่ไหมท่านบอกความจริงแล้วเนี่ยไม่ควรเรียกอย่างนะั้น เงินทองรัตนชาติสิ่งของต่างๆที่ตนสั่งสมขึ้นที่เนื่องโดยตนนั้นอ่ะไม่เนื่องโดยคนอื่นเนี่ยนะว่าเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของตนเอย่าไปคิดอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะเหตุว่าทรัพย์เหล่านั้นเป็นของเกี่ยวเนื่องกับตนในพบเดียวเท่านั้นใช่ไหมใช่ยมเนี่ยมีทรัพย์แค่ไหนก็เกี่ยวข้องกับยมแค่เอาว่าลมหายใจเบืองสุดท้ายหมด หมดไหมซับหมดไห ม, หมนั้นมันเป็นของเราได้ยังไงถ้าเป็นของเราเนี่ยมันจะต้องเกี่ยวเนื่องกับเราทุกภพกทุกชาติสิอันนี้บ่งบอกให้เห็นชัดว่าซั์นั้นมันเกี่ยวเนื่องกับเราเฉพาะภพนี้แล้วภพนี้แล้วก็น้อยมากเนาะเนี่ยเห็นหน้ากันหยอกหยเดี๋ยวไม่รู้จะเข้าโรงพยาบาลยังงเมื่อไหร่ก็ไม่รู้นี่ก็หายไปแล้วเนี่ยใ ช, ใช่ไหมจะหน้ากลัวไหม หายใจเข้าหายใจออกเนะี่ยถ้าลมหายใจเพื่อสุดท้ายหมดปุ๊บฉะนั้นจึงบอกว่าไม่ควรเรียกว่าเงินทองรัตนาชาติสิ่งของต่างๆที่สัมผัมขึ้นที่เกี่ยวเนื่องกับตนไม่เนื่องด้วยคนอื่นว่าเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของตนพะอะ่อลาเพราะว่าทราพัพย์เรานี้เกี่ยวเนื่องกับตนในพบเดียวเท่านั้นนะหลังจากลมหายใจเพื่อสุดท้ายตายไปแล้วเนะ่ะก็กลายเป็นของคนอื่นไป และซับเหล่านี้ไม่สามารถติดตามไปสู่พบอื่นได้ใช่ไหมครับและอีกประการหนึ่งที่คนเข้าใจว่าซับเนี่ยที่มันเกี่ยวเนื่องกับตนตนสั่งสมขึ้นมาเนี่ยมันเกิดขึ้นหรือว่าตนเองเกี่ยวข้องได้ในปัจจุบันชาติในปัจจุบันภพเนี่ยก็ใช่ว่าจะเนื่องในตนเองเท่านั้นเพราะยังเกี่ยวนอกเรื่องการอันตรายอื่อีกเยอะเช่นน้ํา มีซับอ่ะน้ำทำลายได้ไหมไฟได้ไหมจอนได้ไหมไเป็นต้นใช่ไหมนี่ประการหนึ่งก็คือว่าเอาพระราชาได้้ไหมทุกวันเนี่ยภาษีกินกันตลอดหรือเป่านอี่ยต้องเสียภาษีที่ดินไหม เ, เสียใช่ไหมถ้าบ้านเนี่ยต้องเสียภาษีไหมได้เงินเดือนต้องต่างหาภาษีไหมนีม่พระราชารีบเอาไปแล้ว มันของเราไมเนี i? I ่ยถ้าของเราทำไมเราต้องเสียด้วยฉะนั้นแม้ในปัจจุบันเะาพบมันก็ไม่ใช่ของของเราโดยเด็ดเสษอะไรเลยนี่เราเข้าใจผิดแม้ที่ผ่านมาว่ามันไม่ใช่ของเราจริงๆอะไรนะเริ่มเรียนทอดแล้วนะทีนี้ ฉะนั้นจึงบอกว่าไม่สามารถเรียกว่าเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของตนได้เลยความจริงแล้วเนี่ยนะ ส, กกสุดจริต ก, กรรมทุจริตกรรมกุศลกรรมกกุศลกรรมบุญบาป ท, ที่ตนเองทําแล้วเท่านั้นชื่อว่าเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของตนใช่ไหมใช่นั้นสุรสสจริตกรมกรมทุจริตกรรมบุญและบาปกุศลกรรมกับกุศลกรรมที่ตนเองได้ทําเข้าไปแล้วเท่านั้นแหละ อันนี้ชื่อว่าเป็นทรัพย์ของตนไหม แ, แท้จริงไหมเป็นทรัพย์ของตนอย่างแท้จริงด้วยเพราะอะไรเพราะสุดจริตกรรมและทุจริตกรรมบุญบาปกุศลและกรรมกับกุศลและกรรมเนี่ยที่ตนเองทําไว้เท่านั้นนะจะติดตามเราไปทุกทุกจุดด้วยก็บอกว่าติดตามไปขนาดไหนบอกว่าเป็น เป็นทรัพย์ที่แท้จริงของตนเพราะเกี่ยวเนื่องเฉพาะตนเท่านั้นถามว่าสุจริกกรรมทุตจริกกรรมก็ดีบุญบาปก็ดีกุศลกรรมอกุศลกรรมที่ตนเองทําไว้นี่นะมันสุจริกกรรมทุตจริกกรรมต่างๆเหล่าเนี้ยไม่เกี่ยวเนื่องกับคนอื่นเลยมันเกี่ยวเนื่องกับตนเองเท่านั้นแล้วมันจะตามตนเองไปสิบชาติยี่สิบชาติร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติแล้วเป็นโกรธกลับมันตามหมดลย อันนี้ยังไงถึงว่าเป็นทรัพย์ของเราจริงๆเช่นเราเราไปฆ่าสัตว์นี่นะพราะฆ่าตูมเข้าไปเนี้ยสัตว์นั้นตายใช่ไหมไอ้กรรมที่ทำเลยทุจริกรรมที่ทําเนี่ยมันมันเป็นทรัพย์ของเราเลยมันเป็นกรรมมศากาลแล้วแล้วมันจะตามให้ผลเราไปเรื่อยๆเอาที่แต่ถ้งเงินทองของเราที่ว่าเป็นทรัพย์ของเราเนี่ย พอลมหายใจเพื่อสุดท้ายหมดปุ๊บมันไม่ใ่ของเราแต่ทุจริตกรรมที่เราทําเข้าไว้เนี่ยมันของเราเลยเนะตามที่เกิดอย่างสมมติเราเอาไปตกนรกใช่ไหมแต่กรรมมันให้ผลจะตกนรกเอาออกมาจากนรกเนี่ยอาชา่านั้นมันตามไม่ทำอีกชาติต่อมาตามไม่ทำในวัตถิกามันตามมาเอาคุณมีโรคมากเอาคุณไปตัดอวัยวะสิใช่ไหมไปผ่าตัด ยังไม้พอไปหกล้มเสียไอ้หลังหักเสสมมติต้องดามหลังอีกแล้วใช่ไหมมันมันส่งผลตอนเกิดไม่ได้มันเล่นตอนวัติ ก, กาณีให้คุณเผอไผ่ยนี่นี่เป็นทัพย์ของเราไงยมหวาเป็นทรัพย์ของเรามันแล้วมันไม่ส่งผลผิดรุกผิดขันเลยนะเช่นว่ายมหวานทําอกุปสรกรรมก็ว่าอุปสรกรรม ต, มตามไม่เป็นส่งผลยม มันส่งถูกแม่งยําได้แม้มันไม่เป็นของไม่เนื่อเลยมันอื่นเลยนะมันเนื่อในตอนนี้ใช่นะนี่คือคือบาปคือทุจริตกรรมหรือสุดจริตกรรมก็ไหมนงินเวลามันให้ผลเนี่ยนะมันก็ตามแหละร้อยชาติพันชาติหมื่นชาติแสนชาติาตาตาตมันตามไม่ผลหมดตามให้ผล ห, ห, ห, หมดเลยและมันไม่ผิดตัวด้วยนะจะไปกี่แสนดีโกดอยากเอานี่นะกรรมที่พุทธเจ้าจักปริญญานิพพานแล้วใช่ไหม กำลังจะไปรีดิพานโดยแท้เนี่ยมันจะตามไม่ผลตามยังไง ร, รู้ไหมให้ผ้าอนุนไปตักนะดูกระแสขันยังมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่ไหมกระตา่างเอาไปตักน้ํากับคุณผ้านนอนุนหลงน้ําคุณพระเจ้าไปตักเออน้ําคุณสามรอบนัะผ้านนุนตักขึ้นมาแล้วครั้งที่สี่น้ํานั้นใสพระเจ้าก็บอกเห็นไหมผูกพัพรกรรมบนดาทากก อ่ะวัวไฟเอาเอาวัวที่จะข้ามคลองข้ามในน้ํานยไม่ปราถนาไม่กินน้ําดึงดึงดึงจะบอกดึงปากเอากรรมเล็กๆน้อยๆมันยังตามอ่ะตอนเจริญนิพพานยังตามดึงมันเป็นต้บัตรของพรธองค์โดยแท้ไม่ได้ส่งผลบ้านนน้นส่งผลพวกเจ้านี่คําว่าเข้าใจคำว่าซับที่แท้จริงเนี่ยงั้นสุดจริตทศจริตกรรมที่ทําไว้เนี่ยมันเป็นซัพ์ที่แท้จริง ฉะนั้นที่เราไม่เข้าใจวันนี้แหวนเราสร้อยเรานาฬิการเราชั่วข้าวซั์ชั่วข้า ว, ว, าวไม่เห็นรัพย์ที่แท้จริงแต่ทรัพย์ที่แท้จริงคือสุดจริต ก, กรรมทุจริตกรรมใช่ไหมฉะนั้นเวลาตรวจคำว่า ก, กรรมบรสกาสัตาเนี่ยเรามีกรรมเป็นของของตนเนียคือมีกรรมเป็นทรัพย์ที่แท้จริงของตนต้องท่องนี้เราทําบางเข้าใจให้ถูก ถ้าสวดแล้วเราตรึกตรงนี้ไม่ถูกยุ่งไหมมันก็ไม่ไม่ลึกซึ้งในเรื่องนี้นะพอไม่ลึกซึ้งในเรื่องนี้ไม่กลัวนะไม่กลัวอกุศลกรรมนะแล้วก็ไม่ใจไม่น้อมในการที่เจริญสุจริตกรรมอย่างแท้จริงนะและอีกข้อนึงกรรมธายาธาแปลว่าอธิบายหน่อยที่ ไหนพูดไปแล้วคนเรื่องนี้นะที่ต้องการอธิบายตรงเนี้ยเราจะได้รู้ว่าออลูกหลานเราใช่ทาติทจริงไหมสัตว์ย่อมถืออมรดดกแห่งกรรมที่ทําแล้วก็เหตุ น, นั้นกรรมทายาตาสัตว์ผู้ถือเอามรดดกนี้นะเราบอกว่าลูกชายลูกสาวบิดามารดาสามีภรรยาไปเต้าเหล่านี้เป็นทายาทใช่ไหม ลูกชายลูกสาวพ่อแม่เป็นต้นเนี่ยถามว่าลูกชายลูกสาวหลานเหล น, หนยญเป็นต้นเหล่านี้จะเราเป็นทายาที่แท้จริงหรือไม่ก็บอกเงินทองรัตรนาชาติสิ่งของต่างๆที่เป็นมรดกของพ่อแม่เนี่ยนะไม่ใช่ของที่ถาวรเป็นเหมือนของยืมเข้ามาชั่วคราวเท่านั้นเองจึงไม่ควรเรียกว่าเป็นทายาที่แท้จริงพ่อะอะไรเพราะว่ามรดกเหล่านั้นเน่ะ มาเพียงชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเราเราเป็นลูกหลานเรารับมารดกใช่ไหมรับมารดกเรามีสิทธิ์ในการที่จะรับมารดกเราเป็นหลานมีสิทธิ์จะรับมารดกของปู่ลุงป้าพี่ปนะ้าหน้าอะไรกว่าไปเราก็ไปสําคัญว่าเนี่ยมันเราเป็นทายาทเรามีสิทธิ์รับบรดกอันนี้มันชั่วคราวใช่ไหมจ๊ะแต่ที่เราเป็นทายาทของกรรมเนี่ย มรดกถาว น, นี่อ่เลยใช่ไหมใช่ใชรับเต็มเต็มแล้ีย่งทุกวันที่กำลังนั่งรับกันอยู่เนี่ยรับมรดกเป็นเต็มๆเนี่ยนั้นสุดจริตกรรมหรือทุจริตกรรมบุญบาปกุศลกรรมอกุศลกรรมเนี้ยนะที่สัตว์ได้ทำไว้แล้วนั่นเองเชื่อว่าเป็นทายาทที่แท้จริงเพราะสามารถติดตามไปทุกคบทุกชาติเลยนี่เขาเรียกทายาทแหละนั้นคําว่าทายาทเต็มไปด้วยการอย่างนี้ นั me, ่นจะบอกว่าคนนั้นเป็นญาติของเราญาติไม่ใช่เราก็ตอบเขาว่านี่เป็นญาติเฉาข้าวแต่เรานี่เป็นทายาทของกรรมนี่เป็นทายาทที่ถาวรมากถ้าในสังสารวัฏมันเป็นไปอยู่ใช่ไหมเราก็เป็นทายาทก็อยู่อยากเป็นทายาทของกรรมก็อยากจะหมดกับไม่อยากเป็นทายาทของกรรมนั้วทุกวันนี้เห็นไหมเนี่ยเวลาเวลาเกิดว่าเพราะเราเป็นทายาทใช่ไหมก็มารับไม่ละญาติไม่ยอมนอกก็คนเหมือนกันทายาทใช่ไหมเราก็รับ รับมรดกรับมรดกของอะไรของปานาติบาอย่าลืมนะว่ากรรมเกี่ยวในเรื่องการถูกตัดถูกถูกตัดถูกถูาตัดถูกเฉียนถูกเชื่ออะไรเนี้ยอันนี้มันเป็นกรรมก็ เ, เรียกว่าเป็นเป็นทุจริตกรรมมาจากปานาติบาในปานาติบาเนี่ยมันมีผลสองประการนะมุคคยาผลกับสามัญญผลอย่างนี้ก็เรียกมุคคยาผล แต่มันส่งผลในปฏิสนธิการก็เป็นอบัยศัตร์ถ้ามุขยีผลนั้นส่งผลในประวัติการตัวเนี้ยคุณมาเกิดเป็นมนุษย์คุณก็มีโรคภัยแค่เจ็บเบี้ยเบี้ยคุณก็มีอายุสั้นแล้วมันไม่ใช่หมดแค่นีาความที่เราเป็นทายาทของกรรมเนี่ยถ้ามันได้จังหวะได้โอกาสเมื่อไหรมันก็ให้ฤทผลิบาปให้เนี่ยคือทายาทเป็นแบบนี้เราวังไม่เอาด้ขนั้นไม่ได้คุณเป็นทายาทของเราแล้วคุณต้องเอาเออกไปซึ่งน่ากลัวเนาะ ถ้ยายากก็กี่ยถ้าเป็นกุศลกรรมก็ยิ้มก็หลงระเริงไปถ้าเป็น อ, อ, ก, อกุศลกรรมก็เจ็บปวดทรมานได้เราเด็กเนี่ยกรรมมทายาทาเป็นแบบนี้ประการต่อไปที่จริงในรายละเอียด ต, ตรงนี้ในเรื่องกรรมเนี่ยมันรายละเอียดเพีนงงังเยอะเราเรียนกรรมกันไม่ได้เรียนแบบเจาะลึกไงไม่เรียนกันแบบผ่านๆก็ยังที่จริงถ้าเรียนจะเจาะลึกเนี่ยเราจะรู้ว่าโอ้โหเราไม่เราไม่เข้าใจกรรมอีกเยอะมากในรายละเอียดเนี่ย เดี๋วจะรีบไปไปดูนี้ก่อนนะกรรมโยนี้แปลว่าอะไรคำว่าโยนี้เนี่ยแปลได้หลายอย่างในที่นี้แปลว่าเหตุนะถึงจะชัดเพราะเป็นเหตุแห่งความสุขและความทุกข์กรรมนั่นเองเป็นเหตุแห่งความสุขและความทุกข์ของสัตว์ทั้งหลายที่มีอยู่เนี่ยนะเพราะเหตุนั้นจึงชื่อว่ากรรมโยนี้สัตว์ผู้มีกรรมนั่นเองเป็นเหตุแห่งความสุขและความทุกข์ดังอธิบายฉะนั้นคํว่ากรรมโยนี้เนี่ยก็แปลว่าคำคำเนี้ยกรรมเนี่ย เป็นเหตุแห่งสุขกรรมเป็นเหตุแห่งทุกข์ไอตัวกุศลและกรรมก็เป็นเหตุแห่งสุขงพราความสุขที่เราได้รับเพราะเพราะกรรมเมโยเนี่ยเพราะเราสร้างเหตุของสุขเขาไว้เราก็ได้รับสิ่งที่เป็นสุขสร้างเหตุที่เป็นทุกข์เขาไว้เราก็ได้รับสิ่งที่เป็นทุกข์เพราะใจกรรมเมโยนี้อีกคำหนึ่งรีไปเร็วๆนั้นกรรมว่าพันทุกข์แปลว่าอะไรกรรมว่าพันทุกข์เนี่ยในโลกนี้ก็เรียกว่าญาติี่น้องของตนและเพื่อนปู่ว่าพันเรียกว่าพันธุกข์นะ กรรมนั่นเองเป็นญาติพี่น้องเป็นเพื่อนฝูงของสัตว์เาใดมีอยู่เพราะเหตุนั้นน่ะสัตว์ทั้งหลายชื่อว่ากรรมพันธุ์นี้ถ้าถามบอกว่าสัตว์ผู้มีกรรมนั่นเองเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเป็นเพื่อนฝูงเพราะเหตุนั้นจึงไม่ควรเรียกว่าเรียกมิตรชัวว่วคราวที่มีอยู่ในโลกนี้ว่าเป็นมิตรที่แท้จริงเอางี้เราที่รู้จักการัรในถือเป็นเพื่อนกันใช่ไหมถือว่าเป็นเพื่อนกันๆๆทีนี้เรามีญาติพี่น้อง อามีพี่มีน้องมีลูกไม่มีหลานอะไรก็แล้วแต่นี้เราถือว่าเราถือบอกว่าเออเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องเอาเราเรามีพี่น้องอันนี้ใช้พี่น้องดีแท้จริงไหมใช่ไหมถามว่าเป็นเพื่อนแท้หรือเปล่านี่นั่งนี่เยู่เนี่ยทําไมจึงห้เรียกว่าเพื่อนแท้ถ้าเพื่อนแท้เนี่ยมันจะตามเราไปทุกภพไหม มันจะตามเราไปทุกพบเลยถ้าเพื่อนแท้เนี่ยสุขมันก็ไม่หนีทุกมันก็ไม่หนีอกุยสัรรมในเวลามันให้ความทุกข์กับเราเนี่ยอกุยสัรรมมันไม่หนีเเนี่ยมันก็ให้มันเป็นเพื่อนแท้ไงเข้าใจยังเนี่ยเพื่อนแท้เวลาปวดเวลาทรมานเวลาทุกข์กายทุกข์ใจเวลาทรมานนี่นะมันจะมันก็มันไม่หนี แต่ที่เราเป็นเพื่อนเป็นญาติแล้วเดี๋ยวไม่กันนี้แนละ้วแล้วก็เป็นแค่ช่วงนี้ยนะแล้วเราในผ่านการมีเพื่อนมาไม่รู้กี่ล้านกี่แสนกี่โกรคนแล้วก็ไม่รู้ผ่านการมีสามีภรรยามาไม่รู้กี่ล้านกี่แสนกี่โกรคนก็ไม่รู้ผ่านการมีพี่น้องเพื่อนฝูงพ่อแม่กี่ล้านกี่แสนโกรคนก็ไม่รู้นีัยไม่ยังมันไม่ใช่ไม่ใช่ของแท้เอยนะของปลอมหมดแต่ของจริงก็คือกรรมเนี่ยเอะไรอย่าง กรรมนี่แหละเป็นเพื่อนแท้เป็นที่แท้เป็นน้องแท้เป็นกรรมบันรู้เลยมองเห็นชัดไหมยอมมันเป็นอย่างไงทั้งกุศลกรรมทั้งโทษจริญกรรมสุดเจริญกรรมเนี่ยเป็นเพื่อนแท้งั้นเวลาจะทําบุญทำบาปก็เอาเพื่อนใช่ไหมเดี๋ยวเพื่อนเราเนี่ยเราเพื่อนเราทั้งำบุนแล้วก็จะตามเราไป เขาจะตามไปคอยเหบียดเบียนเราแล้วก็ตามไปช่วยเหลือเราเขาจะส่งเสริมเราก็ได้เยียดเบียนเราก็ได้อุปธรรมก็ได้นเะเช่นอะุปโธรกรรมเลยนะเราส่งเสริมเราโอ้ส่งเสริมดีจะเอาไปตกนรกสักสักหมื่นปีก็ต้องไปหมื่นปีในหมื่นปีเนี่ยห้ามมนะีสุขเวทนานะทุกเวทนาโดยส่วน เ, นเวดีวยวเขาไปที่อร้องอ่ะร้องไปร้องหมื่นปีเนี่ยร้องได้ด้วยนะเจ็บปวด น, นี่เป็นอย่างเนี้ย เอาดีกันมาหน่อยเอาอเป็นเปรดแป็นเปรตกบทรมานเลยนี่ไงเพื่อนแท้จริงในะตัวกรรมเนี่ยคําสุดท้ายก็คือกรรมว่าปฏิสรารนาแปลว่าอะไรเนอะ้าเดี๋ยวให้อธิบายกันหนะ่อยพุทธทางสรารนันก็ะาวนี้่มุกี้พูดยังไงจะอันนี้ปฏิสรารนาแปลว่าที่พึ่งจริงนะเอ๊ทําไมบอกในที่นี้แบบลปลว่ากรรมอธิบายยากเหมือ น, นีดิมสอบถามว่าในโลกเนี่ยนะ เทวดาเนี่ยเทวดาที่เป็นที่พึ่งที่นับถือของบุคคลทั้งหลายเขาเรียกปฏิสารณะหรือปฏิสนากันเลยปฏิสนานเดียวกันนะบางคนก็มีวิษณุเทพเป็นที่พึ่งเขาเรียกว่ามีวิษณุเป็นปฏิปฏิสารณะบางคนก็มียามาเทพคือท้ายามาเนี่ยนะเป็นที่พึ่งเขาเรียกว่ามียามาเทพเป็นปฏิสนานบางคนก็มีพรหมเลยนะพระพรหมเป็นปฏิสารณะอย่างเราก็มีอะไรพระรธนะตรายเป็นที่พึ่งไหม นักานทนาตายก็เป็นปฏิสารณะแต่ในที่นี้บอกว่ากัมมะเ ม, มวะปฏิสารนางเยสันติกกัมมะปฏิสารณะ่ากกัมนั่นเองเป็นที่พึ่งของสัตว์เหล่าใดก็เหตุนั้นสัตว์นั้นชื่อว่ากัมมะปฏิสารณะสัตว์ผู้มีกรรมนั่นเองเป็นที่พึ ท, ทีนี้วิศณุเทพยามาเทพชื่อว่าปฏิสนะเขาเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายเขาเข้าใจกันอย่างนี้นะความจริงแล้วไม่ควรเรียกว่าวิษณุทาาเทพยามเทพ ซึ่งเป็นที่พึ่งชั่วคราวเป็นที่พึ่งมันแท้จริงไม่ใช่เลยแต่สุจริตกรรมและทุจริตกรรมเนี่ยนะที่สัตว์ทั้งหลายทําแล้วต่างหากเป็นที่พึ่งที่แท้จริงเพราะสามารถติดตามไปทุกพบทุกชาติได้ใช่ไหมฮะสุจริตกรรมทุจริตกรรมบุญบาปอกุศลกุศลกรรมอกุศลกรรมที่สัตว์ทั้งหลายทำไว้ตรงนี้ต่างหากเป็นที่พึ่งที่แท้จริงทีนี้ถ้าเราถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะ การถึงพระพุทธเจ้าว่าเป็นสารณะเช่นนี้ย่อมเป็นไปเพื่อให้ได้อะไรได้บุญกรรมและปัญญากรรมใช่ไหมให้ได้บุญกรรมและปัญญากรรมทีนี้บุญกรรมและปัญญากรรมเนี่ยนะโดยแท้จริงได้บุญกรรมและปัญญากรรมที่เกิดจากการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะจึงจะเป็นที่พึ่งของเขานั่นเองเข้าใจตรงนี้ใช่ไหมนั้นพอเราถึงพระพุทธเจ้าในขณะนั้นเราทําบุญ ในขณะนั้นเรามีปัญญาในการที่ระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าฉะนั้นการถึงพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นเหตุทําให้เราได้บุญเป็นเหตุทําให้เราได้ปัญญาแต่บุญกรรมนั่นแหละเป็นสารณะเป็นที่พึ่งที่แท้จริงของเราใช่ไหยจ๊ะแต่เพราะอาศัยการถึงพระพุทธเจ้าเป็นสาระอย่าลืมนะตรงนี้เราได้บุญเยอะเราถึงน้อมถึงพระพุทธเจ้าเป็นสาระแต่อย่าลืมว่าถึงพระพุทธเจ้าแล้วถ้าเราไม่ได้บุญเนี่ยเสียหายนะ เราจะเสียหายการถึงพระเจ้าต้องได้บุญกรรมได้ปัญญากรรมได้พัฒนาปัญญาได้เจริญกุศลได้ยิ่งขึ้นไปสรุปแล้วตรงเนี้คำว่ากรรมมส ก, กากรรมมาทายาทกรรมโยนีกรรมพันธุกรรมปฏิสารนาเข้าใจอย่างชัดแล้วนะเนี่ยต้องการจะอธิบายตรงนี้ให้เราเข้าใจกันว่าเออเวลาไปไขครวรไปพิจารณาในต่างๆจะได้เกิดความเข้าใจมีใครสงสัยตรงนี้ไหมย้อนถามใหม่ ทรัพย์ที่แท้จริงคืออะไรลองกลจำแล้วนะแต่นี้นะลองกลจำนะไม่ใช่หรอกมันมีอย่างนี้บางคนบอกว่าเออเนี่ยต้องดูแลลูกถามทําไมแก่ตัวแล้วเราจะได้เป็นที่พึ่งของเราเขาจะคิดด้วยถูกคิดแล้วเนาะแต่นี่นะก็ทําไปหน้าทีก็ทํำไปแต่เราอย่าไปคิดอย่างนี้นะเพราะลูกหลานพี่น้องไม่ใช่ไม่ใช่ที่พึ่งที่ถาวรแต่ กรละละละรมอ่ะกุศลกรรมกับกุศลกรรมไ่ะและไม่ใช่ซับเนะไม่ใช่ซัพย์ไม่ใช่ทรัพย์ที่แท้จริงกลับไปก็ไปชี้หน้าบอกลูกชี้อยูเนี่ยบอกเข้าใจแล้วบอกว่าลูกเนี่ยไ ม, ไม่ใช่ไม่ใช่ที่พืงนะล้วที่แท้จริงนะเป็นที่พึ้นชั่วคราวนะไม่ใช่ยาที่แท้จริงเป็นยาชั่วคราวไม่ใช่ซัพย์ที่แท้จริงเป็นรัพยบ เงินทองรัตนาทั้งหลายบ้านเรือนทั้งหลายไม่ใช่ทรัพย์ที่แท้จริงใช่ไหมกลับไปก็ไปเดินรอบบ้านทั้งสองสามสี่รอบแล้วก็ท่องบ่อยๆนี่ไม่ใช่ทรัพย์ที่แท้จริงไม่ใช่ทรัพย์ที่แท้จริงใช่ไหมทรัพย์ที่แท้จริงคือสุดจริญกรรมทุจริตกรรมบุญบาปนี่ทรัพย์ที่แท้จริงเพราะสิ่งเหล่านี้ไม่ตามเราไปเลยลงมือใจเพื่อสุดท้ายหมดเมื่อไหร่จะตามเราไม่ได้เพิ่มเฮานะถ้าเราจะตายแล้วเราไปมีบ้านเป็นอารมณ์เราจะมาเกิดเป็นอะไร บางทีก็มาเป็นผีบ้านเป็นผีบ้านยูเป้าบ้านอยู่นั่นแหละถามว่าเป็นผีบ้านนี่เจ้าของบ้านดูแลดีไหม <c oughs> ก็ดูแลที่เราดูแลผีบ้านดีว่ะ <c oughs> ไม่ดูแลดีเลยบางวันก็ลืมไม่เคยไม่เคยหาข้าวหาน้าให้ <c oughs> ไม่เคยจะแผ่เมตตาให้ใช่ไหมใช่ <c oughs> บางทีก็อะไรก็ไม่รู้โกรธีีด่าตรงนั้นโดนดา่า <c oughs> เป็นผีบ้านที่โดนด่าของในบ้านหาย อุตสาหบูชาแทบแย่ไม่ยอมดูแลเลยผมโดนดา่าซะอีกลำบากตรงนี้ก็คือที่จริงอธิบายเรื่องหัวใจใช่ไหมอธิบายเรื่องหัวใจแล้วก็ไปถึงมโนวิญญาณธาตุมโนธาตุมโนวิญญาณธาตไ์ในมโนธาต์ในมโนวิญญ า, าณธาต์ก็คือกุศลกรรมอกุศลกรรมทีม่มันเกิดอาศัยหัตยะก็เลยนึกถึงเรื่องนี้ใช่ไหมก็ต้องการจะอธิบายให้เข้าใจว่าเออเนี่ยเราอย่าลืมเรื่องนี้นะ เพราะโดยมากเราสวดกันมาแลก่อนเรามีกรรมเป็นของขตนเป็นมีกรรมเป็นที่ซึ่งอาศัยไหมมีกรรมเป็นทายาทมีกรรมเป็นสารณะมีกรรมเป็นที่เพิ่งทํากรรมใดไว้ดีหรือช่วเราจะต้องเป็นผู้ทำถ้าผลของกรรมนั้นจะท้องกันตลอดเลยละแต่ท่องท่องแล้วมันไม่คิดเนี่ยใช่ไหมถ้าอย่างนี้คิดแล้วเนาะกลับไปก็ไปตรึกไปไข้ควรือพิจารณาเลยอภิการต่อไปก็คือตับยากนนางนะอ่านเลยที่ตับเป็นเนื้อ ที่ปเป็นทองแฉกลานังใบตอามัิต้นามตข้างหนึ่งมีใบย้อยสามใบตานัต้นและมีามีนาเป็นปุกเอออกเป็นช่อร้ายดอกแค่แดงสีแดงเข้มดอออเปลาล้ายาเสียบตา่อางนาทอง หนตานั้นของคนีัญญาตึกเป็นแผ่นใจแผ่เดียวเท่านั้นของคนีปัญญาเป็นแผ่เล็กๆสองหรือหาแผ่นก็มีโดยที่เกิด ในเกี่ยวกันในเรื่องของข้อที่สิบเอ็ดและ12บสองเนี่ยเนาะหัทยางเนื้อหัวใจแล้วก็ยากนาังสับอันนี้ก็เป็นการเอาเอา ว, วัยวะภายในมาไข้ควรมาพิจารณาเนะโดยสีโดยส้นฐานโดยพิษโดยโอกาสแล้ก็โดยปริเฉธาฉะนั้นในลักษณะของสับก็ในยัสะนีดที่ว่าสับมีสีแดงอ่อนพื้นเหลืองเหมือนสีลังกีโกมุตลังกีโกมุตก็คือดอกโวัวแดงเนี่ง นี่โดยสันฐานก็คือที่โคนเนี่ยเป็นแผ่นเดียวกันที่ปลายก็เป็นแผ่นเนื้อคู่สองแฉกก็เหมือนใบทองหลานตับของคนมีปัญญาติดอของคนด้อยปัญญาเนะก็ติดเป็นแผ่นเดียวกันหย่า น, นั้นเลยตับของคนมีปัญญาก็แยกเป็นสองแผ่นหรือสามแผ่นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่แปลกนะก็เหมือนกับหัวใจอะหัวใจของคนมีปัญญามากก็ก็ลักษณะอย่างหนึ่งใช่ไหม เขใจคนมีปัญญาแย้มบานหน่อยหนึ่งของคนต้อยปัญญาก็ไม่แย้มอะ่ะเหมือนดอกประทุมตูมเป็นตูมตูเนี้ยตับของคนมีต่อยปัญญาก็ติดกันเป็นพืชถ้าตับของคนมีปัญญามากก็เป็นสองแผ่นหรือสามแผ่นไอ้ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ทําให้คิดว่าเออเรื่องกรรมนี่นะพวกตีเหตุกกาก็ดีพวกทวีเหตุกกาเอาเหตุกกาเป็นตัวหะไรเนี้ยก็ต่างกันจริงจริงต่างกันแม้แต่ ว, ว่า คนที่เขามีปัญญาทั้งหลายเขารู้อะเนี่คนที่มีไอ้ที่ไปจักขูยานเนี่ยเขาสามารถมองทะลุทะลวงได้หมดใช่ไหมเขาก็รู้คนที่มีปัญญาเนี่ยลักษณะหัวใจก็ต่างจากคนต้อยปัญญาลักษณะของตับก็ต่างจากคนต้อยปัญญาเนี่ยนะอันนี้ยไม่ใช่ว่าใครเป็นคนจัดสรรนะกรรมนี่แหละสุจริญกรรมทีจริญกรรมนี่แหละทั้งกรรมที่มีปัญญากรรมที่ม่มีปัญญาที่สั่งสมมาในอดีตนั่นแหละเป็นตัวจัดสรรนะ จัดสรรรูปปัถานีห้เป็นแบบนี้อันนี้เรากําลังเรียนเรียนเรื่องสรีระเรื่องรูปปันานนะแม้รูปปัถานบางคนมีบุญรูปปัถานบางคนบุญน้อยเป็นต้นเหล่านี้ก็มีความแตกต่างกันนะเพราพิจารณาอย่างนี้ก็อื้อสา์โลกมีวิจิตเพราะกรรมโดยแท้ไอกรรมวิจิตส็วัดตัณหาแล้วก็ไปไล่ไปตามลำดับนี่ความพิจารณาหนึ่งก็ยักกระนังตับก็ดีหัตยาหัวใจก็มีเป็นนี้ก็ให้พิจารณาอย่างนี้นะว่า ถึงจะมีจุดแตกต่างกันอย่างไรเนี่ยที่สุดจริงๆโดยสีโดยสันผานโดยทิศโดยโอกาสโดยปริเฉทาและพิจารณาอย่างนี้เป็นของปฏิกรูนหมดนะเนี่ยถึงจะมีความแตกต่างกันโดยบุญกรรมทั้งกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่เป็นตัวจัดแจงคงแต่งมาใช่ไหมแต่ที่สุดจริงๆก็คือปฏิกรูนเหมือนกันไม่ได้เป็นแพชรนินจินดาอะไรเลยนะที่กําลังศึกษากันอยู่เนี่ยแท้จริงคือศึกษาเกี่ยวในเรื่องของผมขนเล็บฟันหนังไป็น้นจนถึงหัตยังยกงักษ์นังและตับเนี่ย เนื้อหัวใจและเนื้อตับเนี่ยนะถ้ามาพิจนนารณาทุวกวันเนี่ยนะเอออย่างเช่นกลุ่มที่คนจะเป็นโรคหัวใจมากเนี่ยถ้าดูหัวใจเนีนะพวกราค้าพวกพวกพวกเจลิตอะไรไอ้พวกอกุศลจลิตทั้งหลายนี่แหละที่เป็นโรคหัวใจกันเยอะที่บอกโอ้ยเป็นโรคหัวใจโดยเฉพาะอันดับหนึง่งคือโทสายเจลิต นั้นคนที่โกรธแล้วโกรธจนหน้ามือตาลายโกรธจนประเภทกินข้าวไม่ลงเนี่ยนะต้องระวังไว้ไอโกรธกินข้าวไม่ลงนี้นะกกนนเป็นไบบนี้นจริงๆนะกินอาหารขมเลยเคยไหมโกรธจัดไอกินอาหารขมกินข้าวไม่ได้เลยอนะปืดคอเหนียวคอเลยนะเคยโกรธขนาดนั้นไนะหมเคยเครโกรธจนตาลายไหยน้อยใจลูกไม่กินข้าวเคยเป็นไหมไม่เคยนะ แต่บางคนเต็มจริงๆพอโกรธขึ้นมาประชดประชดไม่ชิมข้าอวอกไรเงี้ยสมัยก่อนเนี่ยมมมไม่ต้องละไม่ต้องโยมแล้วก็พาะนี่แหละตอนสมัยก่อนน่ะมาสอนหนังสือตอนนั้นกี่ส อ, อนอย่างงี้ ไม่ได้สนใจในการเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาตรึกมาให้ควรก็คือเข้าใจว่าเป็นบุญไงเพราะให้ควรไม่เป็นสอนนักเท่านักเนักเรียนมันไม่ค่อยเข้าห้องกลับมาไว้แต่นเนี้ยกลับมาประชดตั้เรียนไม่ฉันเพนแล้ววันนั้นนักเรียนก็มาตะโกนถ้าอาจารย์ไม่ฉันเพลนหรือว่าออกอไปไม่ฉันแล้วนี่มานนังนี่เอ๊ะทาไมเรามาทําอย่างนี้วันนี่้ไอพิจารณาเฮ้ยผิดนี่นักเข้ามาศึกษาเปิดพระไตรปิฎก ด, ดูโอ้ยเราพลาดแล้ว ใช่ครัวเจ้าไม้เจริญเมตตาเป็นไรเห็นไหมพระเนี่ยบางทีมัวแต่เนี่ยยุ่งกับกิจอะไรต่างๆไปๆมาๆมาเหมือนพัดลมอเป็นเปา่าคนอื่นเย็นก้นร้อนพัดลมใช่ไหมลำบากที่ไม่ใคร่ควรจะลำบากนี่เลยไปนโลกพัวใจไอ้ตกโตตาจริตทั้งหลายกลับไปแก้ใช้ไม่ปิดผ้าแล้วใช่ไหม ตอนนี้ยังพอแก้ทันไหมเนี่ยทันไมยอมพอจะแก้ไขทันมนะักลับไปก็ไปเจริญเมตตาเยอะๆจำก็ก็ก็ทำดีแตวยังบ่อยๆเนี่ยนี่แหละโทษของการไปเจริญเมตตานะบางคนนี่นะไปหาหมออาตมากเคยเจอตอนนั้นไปนอนโรงพยาบาลาหมอมาแลสอนพระนี่ท่านอย่าเครียดมากสิอาตมาก็นั่งว่ใครสอนใครเนี่ย คือก็อสอนน้องตาอยู่ข้างๆนั่งสลดใจเลยพี่จริงเรื่องนี้พระต้องสอนโยมใช่ไหมได้เอ๊ะทําไมพระเป็นผู้เครียดตัวเองแล้วพาะนั้นก็เครียดจริงนะพอไม่มีใครมาเยี่ยมเดินท่านอยู่นะลูกหลานไม่มาเยี่ยมท่านโอ้นึกในใจลำบาก ว, ว่าผิดแล้วผิดพลานแล้วใช่ไหมทําไมพระพุทธเจ้าสอนไม่เอาไปไข้ควนไม่เอาไปพิจารณาเป็นเพราะอะไรทําไมเป็นพระ ต, ต้องไปทุกข์ทรมานขนาดนะั้นไปเครียง ทำไมไม่มวางจิตให่ถูกใช่ไหมอันนี้ถือว่าผิดพลาดแล้วทีนีพวกเราเหมือนกันที่เป็นชาวพุทธใช่ไหมไปดูดิโรคจิตโรคประสาทเนี่ยนะเยอะหมดเนี่ยมาจากเนี่ยเพราะโทสะจะหลุดเพราะอกุศลจะหลดทั้งหลายอยู่เลยมันเยอะจัดหมอนอนไม่หลับก็ยาวนอยหลับหน่อยใช่ั้มกินยาอนอนหลับใไหแล้วก็คิดเรื่องอะไรไม่รู้คิดไปตัวโดนเสียหาย เห็นไหมว่าถ้าหากว่าเราศึกษาคําสอนแล้วเราเราไม่ไปใช้ให้ถึงนี่เพราะและเราไม่เคยถูกเรียนแบบนี้ไงถูกว่าคําสอนว่าพิจารณามาใไ้ควรใช่ไหมแล้วก็ไม่รู้จะทํายังไงแล้วทำไม่ถูกด้วยบางทีเราเริ่มรู้สาเหตุใช่ไหมตอนนี้ว่าื่นเราพลาดแล้วแทนที่เราจะเอาคําสอนของพระพุทธเจ้ามาตรึกมาไขควนมาพิจารณาให้ให้ต่อเนื่องให้ยาวนานก็ไม่ทําไม่รู้จะทำยังไงไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงบางคนเนี่ยตอนนี้เริ่เริ่มต้นถูกยังไะอาจจะเริ่มตรงไหนดี กลับไปเริ่มที่บ้านแล้เริ่มเดี๋ยวนี้เพิําเดี๋ยวนี้เลยยังมีมัวนู้นบางคนก็บอกเอ้ยเย่ะกลับไปตั้งไปตั้งหลังหักใหม่เขาบองั้นเดี๋ยวไปที่บ้านไปเริ่มใหม่แล้วเขาให้เริ่มเดี๋ยวนี้เพอฟังเข้าใจก็เริ่มให้ควรไปเลยเป็นยังไงมีเพราะเราคิดกันแบบเนี้ยคิดว่าเอ้ไม่เป็นไรเราไม่เป็นไรเราโอ้โหไม่เป็นไรที่ไหนตอนนี้พอมันถึงระยะหนึ่งมันแก้ไม่ได้นีหรือสายไปแล้วก็ไม่รู้ นีจตับนะพิจารณาตับก็ยังจะได้กล่าวพิจาราโดยสีโดยสันฐานแล้วก็โดยทิศเพช้ก็อยู่กเบื้องบนหรือเบื้องล่างเบื้องบนนะตับอยู่เบื้องบนพูดถึงตับนี่ใครเป็นมะเร็งตับละยุ่งยุ่งเลยเป็นที่ตั้งของโรคได้ทุกจุดทุกหนูของร่างกายเนี่ยนะโดยทิศก็อยู่เบื้องบนโดยอากาศก็ตั้งอยู่ในระหว่างฐานทั้งสองข้างไปข้างขางไป ข, นะข้างขวาเนี่ย้างขวาตับที่อยู่ด้านขวา แล้วการกําหนดก็คือว่าสภาค้าก็กําหนดว่าตับนะไม่ใช่การสามสิบเอ็ดที่เหลือแล้วก็สามสิบเอ็ดที่เหลือนะผมขนเป็นต้นก็ไม่ใช่ตับอะ น, นั้นเรียกว่าวิสภาค้าประดิษฐ์ขั้นกําหนดแบบเนี้อภรรการต่อไปก็คือกิโลมาตังพังผืดนะดูตามลําดับไปเลยนะทั้งผืดเต้แกนเนื้อมีสีขาวเนียโดยสีเนี่ยทั้งผืดเนี่ยโดยสีมมีสีขาวเหมือนสีผ้าทุกกูล ถ้าทุบกูล่างเนี่ยทุบกูล่างก็จะผ้าเปลือกไม้ผ้าทุกูลเนี่ยทุบกูร่างเนี่ยผ้าเปลือกไม้เป็นผ้าเปลือกไม้ตัวฟังผืนจะเป็นเนื้อเยื่อสําหรับหุ้มน่ยมีอยู่สองประเภทนะเป็นฟังผืนปกปิดแล้วก็บฟังผืนเปิดเผยโดยสันฐานฟังผืนมีสองสองอย่างนะฟังผืนที่ปกปิดแล้วกับฟังผืนที่เปิดเปิดเผยเนี่ยนะมีสันฐานเป็นเนื้อหุ้มตามที่ตนตั้งอยู่ไอตัวฟังผืนเนี่ยแม่ฟังเวลาเวลา คนบางคนก็บอกผังผืนมันเกาะเกาะที่หัวใจนี่มีปัญหาอยู่แล้วโดยทิศเนี่ยผังผืนเนี่ปกปิดเน่ยเกิดในทิศเบื้องบนผังผืนที่ไม่ปกปิดก็เกิดในทิศทั้งสองเลยโดยโอกาสก็คือว่าผังผืนที่ปกปิดตั้งหุ้มหัวใจและไตยอยู่ผังผืนที่ไม่ปกปิดก็ยึดเนื้อใต้หนังทุกส่วนแล้วในเนื้อใต้หนังทุกส่วนมีผังพืนหมดเลยนะมีหมดเลยวันก่อนก็ไปไปที่กาญจนบุรี ยอมก็ก็ไปให้พวกหมอหมอโบราณนี่นะมันดึงอันตราก็ไอ้นี่ยตรงไอ้ข้อเท้าอ่ะเอ็นยืดเท้าอ่ะหัวไม่โป้งเลยหัวไม่โป้งเนี่ยหลุดมันมันมันคล้ายๆว่ามันปวดแล้วว่าถูกไม่ได้เป็นไรเนี่ยคือมันหลุดนั่นเองมันมันมันหลุดออกมาหน่อยมันหลุดหรือมันมันคล้ายๆว่ามันมันอาจจะไม่ตรงนี้เลยที่โดินไม่ได้ที่เป็นไงเนี่ยเป็นนวด ให้อะน้มันนวดเขาไม่ได ย, ยอมก็บอกเฮ้ยเดี๋ยวเขาพาไปยอมจี๋ยวเดยอมก็ไปยงก็เป็นด้วยสามีก็เป็นก็ะปายกปไปเปสร็จก็หมอคเนี้นะแกอายุตัง้งจะจะร้อยแล้วเป็นยอมผู้ใหญ่แกก็มานั่งอนามาก็เป็นนั่งอยู่บนเก้าอี้มันนั่งนั่งมาจับไหนตรงไหนด้านหนูนะจับก็ยกเท้าเลยไหมท่านก็เรียกเรียกลูกๆรือหลานอยอามา มาพบใช้ผ้าทำดินโยวแล้วถ้าแกก็ล็อกก <homepage. S 3> ่อนหนึงให้คนสามสี่คนดึงดึงนิ้วดึงเลยอมาพี่ล้วจริงเนี้ยแล้วก็ําหนดกำหนดํา่นะถ้าด้งดึงหนึ่งเดินได้เฉยเลยวเจงจริงกดึงออกมาปกติอคแกบอกอาลูกเดินข้างกูเอ้ําท่าจะเจ็บหน่อยเอ้ยอย่าไปตำธาไม่เจ็บแล้วอ๋อไม่เจ็บจริงนออทียอมอีกคนเนี่ย จะเดินนี่แหละไอ้เขาเรียกว่ากระดูกทับเส้นอะไรเนี่ยนะแกก็ไปจับจับหลังแนะโอ้นี่พังผืนเกาะว่างั้นยังมากันล็อกใช้ผ้าขมามัดแขนให้นอนฟ้อง ม, มัดขาเอาคนข้างละสี่ห้าคนเลยแกก็จับคนอกดอ ด, ดึงดึงดึงตัวยกเนี่ยดึงดึงเสียงเดากูดนึกว่าแย่มงเนี่ยกดดึงให้พังผืนมันหลุดก็พังผืดมันเกาะ อ, อยู่ ก, เออก็เดินกลับามาเฮ้หายกมดเขารักษาแบบนี้ไม่ต้องไปไม่เด็นไปยแพทแล้วชาว บ, บ้านเราธรรมดาด้วยแหละแต่ไปยอมเรียนมาจากไหนผมเรียนมาจะลมง่ศุกวัดมะ า, ามเข่า <c oughs> น, นี่เ็เล็กๆเนียว่าอางนั้นแกมีคาหาคาถาเนี่ยเออไปเรื่องแสกดึงจับดึงนะสกายคนไม่เห็นไม่กล้าแล้วเลยยังทุกหมอก็ยังมี เครื่องดึงเขาก็ยังต้องกหนดใช่ไหอันนี้ไม่ต้องเลยจับยกดึงด้วดึงกรเที่มเี้แค่ก็บมือจับเนี้ยดึงนีดึงนีดึงเสียงดังนอนหมดแรงสะพากกระดูกดาเดินเก่าน้ตายไปแล้วโยมคนนี้ตายไปแล้วหมอตายไปแล้วหมอหมอตายไปแล้วแต่คนรักษายังอยู่ เออคนที่ไปรักษาอยู่อีกคนที่รักษาคนเดียนตายเนี่ยแปลกเขามีพังผืดถ้าสังผืดนี่ยว่ามันเกาะนี่นะมันเกาะขึ้นมานี่แปลว่าแขนยกไม่ได้หรออะไรเนี่ยก็จับดึงนะนี่เลยนี่ลูกเขาลูกลูกชายเขาบางคนบางบางคนไปนี่หากระเดงกระเด็กันไปแล้วเดินกลับได้ เลือแปลกนีแต่เอหลือลูกชายเหลือลูกชายเออเอานั่งดึกคน้เหลือตราหนกใหญ่เขาทิงพองสืนเรือใบใหญ่